อาจารย์มีอะไรหรือเปล่านี่วันนี้ครับวันนี้พยายามที่หลวงพ่อเทศม า, าเนี่ยพยายามจดจดแล้วก็ทำให้มันยึดโยงเนมือตัวอย่างเช่นเวลาเราจะสู้กับกิเลสเนี่ยผมเวลาฟังฟังแล้วเราก็ควรจะเหมือนจดเลคเชอร์ครับแล้วก็เอามามาเชื่อมกันนีคือมันจะได้เข้าใจพาฟังท่านอยู่ทุกวันเนี่ย มันไม่ใช่ฟังแล้วก็ปล่อยไปเลยเอ้อเอามาเขียนต้องเอามาทบทวนออมาทบทวนอมน่งั้นมันเดมแต่วันนั้นฟังไม่ไม่เข้าใจายอยู่ไอ้มักมักสี่ผลสี่นี่ผ่านหนึ่ง อ, อันนั้นแบบแต่เขาไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็เป็นระดับปริญญาขั้นต่างๆเนี่ยปริญญาตรีโทเอกมักก็คือการศึกษาเพื่อที่จะให้ได้รับปริญญา ถ้า <c oughs> ปัญญาติก็ต้องเรียน4ี่ปีดังนก้นกำลังเจริญมักถ้าโสดาบันเราก็ต้องเจริญปัญญาศีนสมาธิปัญญาขั้นของโสดาบันก็คือต้องพิจารณาศีนกับสมาธินี่เหมือนกันทุกขั้นต่างกันที่ขั้นปัญญาทุกคนต้องมีศีอย่างไรศีห้าสีแปดแล้วก็ศีสองร้อยเจ แล้วก็ต้องมีสมาธิเป็นอบปนาสมาธิและส่วนปัญญาก็พิจารณาเหมือนกับเป็นวิชาต่างกันต่างระดับกันวิชาของโสดาบันก็คือร่างกายเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยมมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันเป็นอนัตตามันเป็นเพลยงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ใจผู้ที่มาควบคุมร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นผู้มาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้แก่ใจอีกทีเป็นเหมือนคนรับใช้ของใจที่เรามักจะพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้พิ จ, จารณาผู้ศึกษาผู้จเจริญ ม, มากอยูเนี้ยนต้องในี้ใจมาหลงติดอยู่กับร่างกายมามีความเห็นผิดที่เรียกว่าสกกายยกทิฏฐิมีไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเองของเราเห็นว่าร่างกายเมื่อเป็นตัวเรองเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันถาวรไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย เราเกิดความไม่อยากนี好好 <Jonah> ้ขึ้นมาความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เราทุกกับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่อยากยังไงไม่อยากยังไงมันก็แก่เจ็บตายแต่ถ้าเรามาศึกษาความจริงของร่างกายแล้วปล่อยวางความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย เพรความอย่างนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจในอริยสัจสี่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากอยู่อยากไม่ตายอยากอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เป็นวิภาวะตัณหามันเป็นความอยากสองด้านตัวเดียวกันพูดง่ายๆอยากอยู่ก็อยากไม่ตายมันก็อันเดียวกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากไม่เจ็บไข้ ไม่อยากเจ็บไข้แล้วปวดก็เป็นภาวะวิภาวะต่างๆที่เราทุกกันก็ทุกเพราะความอยากไม่ใช่ทุกเพราะความแก่ไม่ใช่ทุกเพราะความเจ็บไม่ใช่ทุกเพราะความตายเพราะคนที่เขาไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์พระสุวรวันไม่ทุกข์คนที่เรียนจบปัญญาขั้นนี้แล้วเขาจะไม่ทุกข์กับร่างกายเขาปล่อยวางร่างกายได้ เขามองเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราเห็นร่างกายคนอื่นเราทุกข์กับเขาไหมเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเหมือนเดือดร้แล้วร่างกายเขาว่าร่างกายเราต่างกันหรือเปล่าจะไม่เหมือนกับผลิตออกมาจากโรงงานยันเดียวกันถ้าเป็นรถยนต์ก็รถยนต์ยี่ห้อเดียวกันเห็นแต่ว่าถ้าเป็นรถของเรานี่ใครแตะไม่ได้นะใครชนไม่ได้นะ ถ้าเป็นรถคนอื่นใครจะชนยังไงจะพลิกความยังไงไม่ไม่สนใช่ไหมแต่พอแล้วมัเป็นของเราปรั๊บเนี่ยเราไปยึดไปติดมันละไปอยากมันละอยากให้มันดีอยากให้มันาถาวร อ, อยากให้มันดีไปตลอดซื้อรถมาก็ไม่อยากให้มันเสียอยากจะใช้มันได้ไม่อยากให้มันเก่าแต่รถนั้นก็เหมือนร่างกายใชอว่าเดียวมันก็เก่า แกว่าวกแก่เนี่ยร่างกายก็กากแกว่าแก่เสียก็เจ็บเนี่ยเลวลาเราเสียก็มันร่างกายเสียร่างกายเสียร่างกายก็เจ็บเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาจารย์นั้นไอ้ออีกสองตัวสี่ลัพตาปรามาสอันนั้นมันเป็นผลมันพายได้มัจากมันจะได้จากไอ้ตัวนี้แหละพอเราพิจารณาเห็นแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา เราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากแล้วเราระดับความทุกข์ได้ยังไงดับด้วยปัญญาคือมรรคมรรที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตายรักที่พระเจ้ทาทรงสอนให้เห็นให้ปัญญาร่างกายนี้ว่าเป็นตายรักในอนิจจาทุกขังอนัตตา พอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากความทุกข์ก็ดับไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเราก็เห็นอนริยสัจสี่ชัดเจนต้องเห็นอริยสัจสี่ถึงจะบรรลุได้เรียกมีดวงตาเห็นธรรมมันมันเกี่ยวดองกันตรงนี้ เกี่ยวตรงนี้พอเห็นทามันก็ไม่สงสัยในะพระพุทธเจ้าสิใช่ไหม <c oughs> เราเห็น <c oughs> เห็นเหมือ น, นกับเราไปพิสูจน์วิชาการทางโลกเนี้ยเช่นนิวตันก็ค้นพบว่าโลกนี้เวลาดือสามจุดนสองจุดสองอะไรเนี้ยที่ทําให้นมันหล่ลงมานักวิทยาศาสต ร, ร์เขาเอาไปพิสูจน์เขาเห็นว่าเออใช่ดาวนิวตันนี่ต้องมีคนที่คิด สูตรนี้ขึ้นมาต้องมีใช่ไหมคนที่คิดสูตรคนนี้ก็คือนิวตันคนที่ถามตัวเองว่าทําไมผลไม้ไมมเวลามันหลุดจากครัวทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมันตกลงมาก็พิจารณาว่าต้องมีแรงดึงดูดมีแรงดูดลงมาใจก็เลยเห็นว่าทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกนี้ได้ก็เพราะมีแรงดึงดูดเนี่ยของพวกนี้มันไม่ลอยไปไหนถ้าไปอยู่บนอวกาศเห็นไหมสถานีอวากาศเนี่ย ของนี้มันลอยไปหมดเลยเพราะไม่มีแรงดึงดูดอันนี้ถ้าเราได้พิสูจน์เห็นชัดว่ า, ามีแรงดึงดูดเราก็ต้องเชื่อว่าคนที่ค้นพบทฤษฎีนี้มีจริงไม่ใช่มไม่ใช่มีใครเขากุกขึ้นแต่ขึ้นมาเป็นนิยายไม่ใช่แสดงว่านายนิวตันนี้มีจริงแล้วทฤษฎีของนายนิวตันนี้ก็เป็นความจริงพิสูจน์ได้แล้วพระเจ้าเราก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนเสนอทฤษฎอริยสัจสี่ว่าทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความทุกข์นี้เราก็หยุดความอยากหยุดด้วยปัญญาด้วยสมาธิต้องมีมัชมัชก็คือสิงสมาธิปัญญาถ้าไม่มีมัชก็ไม่มีกําลังอย่างตอนนี้คนไม่มีกําลัง คุไม่มีสมาธิคุณมีปัญญาแต่คุณขาดสมาธิคุณเห็นว่าร่างกายคุณเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายตายมันก็กลับไปสู่ดินน้่มลงไปแต่ยังหยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้เพราะไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีสติเราถึงต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันถ้าเราฝึกสติสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ทีนี้เราก็หยุดมันได้ หยุดความอยากได้เพราะเวลาจิตสงบเป็นอันปานานี้ความอยากหยุดทํางานแต่มันไม่ตายมันไม่ตายด้วยกําลังของสมาธิแต่มันจะมาตายด้วยกําลังของปัญญาปัญญาที่รู้ว่า อ, อ๋อถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากก่าไปอยากแต่ทีนี้ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิมันก็อยู่ความอยากไม่ได้ก็ยังทุกข์อยู่ แต่ถ้าคุณเป็ฝึกสมาธิเจตดวมเป็นอันปานาแล้วคุณเอาปัญญามาใช้คุณจะหยุดความอยากได้อาจารย์แล้วแล้วปัญญาในตัวนี้คือสติด้วยใช่ไหมเรื่ใช่ไม่สติเป็นตัวทําให้จิตนี้สงเนี่ยหยุดความคิดตัวสติเนี่ยแล้วลพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นการสร้างกับเป็นเบรกเบรกม่ให้มันคิดไปในทางความอยากแค่เวลามัน มันยากนี่เราก็พุโทโธพุธโทโธมันก็หยุดคือคือมัดแปดเนี่ยที่ผมฟังท่านอาจารย์สอนเนี่ยคุณถ้าแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่ม<พ>หนึ่งเป็นศีลกลุ<ะ>่มหนึ่งเป็นสมาธิไอ้สติเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในกลุ่มข อ, ของสมาธิาธ <S <S ด้วยแต่ปัญญามันก็มีสัมมาสังกัปปะ<ง>กัสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่ว่าเห็นความคิดความเห็นความคิดไงความเห็นความคิดไงเห็นยังไงก็คิดอย่างนั้น เห็นว่าอันนี้เป็นของเราเราก็คิดจะครอบครองมันถ้าเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ไปคิดไปครอบครองมันตอนนี้เรามีมิจฉาทิสต์ไม่เห็นว่ามันเป็นของเราเราต้องมาเปลี่ยนความเห็นหมายว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเมื่อเราไม่มันไม่เป็นของเราเราก็เราก็จะไม่มีความคิดเห็นที่จะไปครอบครองมัไปยึดไปติดมันไปเป็นเจ้าของมันทีนี้ตอนเปลี่ยนนะฮะท่านอาจารย์ไอเปลี่ยนความคิดว่า มันไม่ใช่ของเราเนี่ยไอตอนไอตอนอ่านหนังสือะหรือฟังไอพูดอันนั้นมันก็ฟังเข้าใจกับแต่ตอนไหนจะเอาจริงจิต้องไปเจอตามที่มันมามาเกิดเหตุการณ์มีคนจะมาร่างกายนี้ไปเนี่ยช่นมีจอจะมาฆ่าเราี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ไม่ทุกข์มันจะฆ่ากฆ่าไปไม่ใช่ตัวโูของโก ้ามีสมาธิก็หยุดได้ก็เฉยนะน่นเ่ยจะทำไงได้มันจะฆ่าอยู่ดีมันเราสู้ไม่ได้แล้วสู้ก็ตายอยู่ดีไม่สู้ก็ตายสู้ก็ทุกข์ไม่ไม่สู้ก็ไม่ทุกข์ก็ยอมนะยอมเห้มันอ่ามันไม่ใช่ตัวเราถึงแม้มันไม่ไ ม, ม, ม, มีขโมยมาโจรมาฆ่ามันก็ตายอยู่ดี ถึเวลาต่อให้มีรปภรอ้อยคนพันคนห้ อ, อมล้อมอยู่ถึงเวลามันจะตาย ม, มันก็ตายเหมือนกันใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมีผู้มีรปภคอยคุ้มครองขนาดไหนก็ตายเหมือนกันนี่เห็นด้วยปัญญาว่าหนีความตายไม่พ้นเนี่พยพระเจ้าสอนให้พิจารณาเรื่อยว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา เรงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้สอนให้เตือนใจว่าอยากไปหนีหนีไม่ได้ถึงเวลาให้มันไปนี่เราไม่ยอมกิเลสมไม่ยอมตัาหาไม่ยอมเพราะเราไม่มีกำลังสู้กับมันเราไม่มีสติไม่มีสมาธิตอนนี้เรามีปัญญาแต่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิอะไรปัญญาของเราเลยยังไม่ได้เป็นภาวนาไมยักปัญญา เป็นสุตตะก็เป็นจินตามยะปัญญาสุตตะก็เนี่ยกําลังฟังอยู่นี้เนปะ็สุตะแล้วออกไปคิดเนี่ยก็เป็นจินตาแต่ไม่เป็นภาวนามยะปัญญาเพราะไม่มีสมาธิพระไม่มีสมถะมมมาภาวนาถ้าเรามีสมาธิเมื่อไหร่จินตามยะปัญญามิจจะกลายเป็นภาวนามยะปัญญาทันทีจะหยุดความอยากได้ทันทีมันเป็นอัตโนมัติเลยก็ต้องไปเจอเหตุการณ์นี่ย ต้องไปเจอเหตุการ์ต้องไปเจอเหตุการณ์เ<ๆ>ช่นนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ามีสมาธิมีปัญญามันก็จะปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปตามเรื่องของมันให้มันเป็นเองหายเองใจไม่ต้องไปขยับร่างกายไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยร่างกายตามธรรมชาติของเขาก็แสดงว่าเวลาเราคือบุคคลที่จเจริญภาวนาเมตตาปัญญาเนี่ยถ้าพอถึงเวลาที่ มีปัญหาอะไรที่เป็นความทุกข์เดกขอความทุกข์ก็มาเนี่ยจเรกสกัดได้ทันทีโดยเอาสิ่งที่ที่เรียนที่มีปัญญาเนี่ยเอามาใช้ทันทีเหมือนกับอัตโนมัติคือมาเห็นว่าชกขยาหพออยู่กามทุกข์อยู่คามอยากก็หายทุกข์แต่ถ้าเป็นคนซึ่งไม่ฝึกสมถะภาวนาเลยเนี่ยพอเห็นปุ๊บ ก็มันมันมันอาจจะหยุดสักเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันจะไปตามกิเลสนะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันหยุดไม่ได้นะถ้าไม่มีสมถะกิเลสไม่มันมีกําลังมากกว่ามันี่มันไม่หยุดนี่ต้องมีสมถะต้องมีอัปปนาสมาธิเพืจะหยุดมันได้อย่ตอนนี้ยพอตอนนี้คุณก็มีปัญญารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันตาย แต่พอเจอความตายมันก็ทุกสมมติว่าไปหาหมอหมอบอกเป็นมาอะไรเงี้ยเหลืออีกสามเดือนนี้อดูสิว่าจะทุกไม่ทุกถ้าไม่ทุ ก, ก็แสดงว่าหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ตายได้แล้วก็ยอมรับความจริงว่าต้องตายต้องมีสองอย่างยอมรับความจริงคือปัญญาแล้วก็หยุดความอยากไม่ตายได้คือสมาธิ ตอนนี้เราอาจจะยอมรับความจริงได้แต่กิเลสมันก็ยังไม่ยอมรับก็ได้ความอยากไม่ตายมันยังมีอยู่มันก็ยังกังวลกังวลอยู่แต่ถ้าทำใจให้เป็นอปปนาสมาธิปั๊บมันจะหายกังวลกาวาัวมันจะนิ่งเฉยสักตะว่าโล่เวลาเป็นสับอปปนาสมาธินี่มันจิตมันจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอารมณ์เหล่านี้จะไม่มีในจิตตรงนั้น พอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอใช้ปัญญาบอกบันอยารักอย่าชัางอย่ากลัวอย่เแบบมันรักก็ปอกบอกบอกัญญยารักมันก็หยุดรักได้ทันทีนั่ ม, นมันต้องอยู่ที่ปฏิบัติมาเปลี่ยนมาสร้างภาวนาเมตตะปัญญากันตอนต้นก็สร้างสุตตะฟังเทศฟังธรรมก่อนฟัแล้วขั้นที่สองก็เอาไปคิดอยู่บ่อยๆเหมือนอาจารย์บอก จ, บจอดบจะได้จาังนะีงเนี่ย งงสมัยก่อนก็ต้องเทศบ่อยๆครูบาอาจารย์ต้องเรียกพระมาอบรมทุกสี่ห้าวันนี้ต้องมาพูดอย่างนี้เรียอยซ้ำๆนะครับ แ, แล้วก็ให้บอกให้ไปทำจิตให้สงบเคยฝึกสติไปนั่งสมาธิถ้าจิตสงบจิตมีกำลังต่อสู้กับตันหาความอยากกิเลสแล้วพอมีปัญญาบอกให้สู้ก็สู้ได้เลยพอเกิดเหตุการ์พอกลัวปั ปัญญาก็บอกอย่ากลัวหยุดความกลัวนี้อย่าไปหยุดอะไรหยุดความกลัวยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันไปพอปล่อยร่างกายยอมให้ร่างกายตายมันก็หายกลัวมันก็หายทุกนี่เกิดเห็นอริยสัจสี่พระโสดามันนี่เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ที่เกิดจาก เหตุ ก, การ์ของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเห็นอริยสัจสีก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็คือตัวเรานี่แหละผู้ที่เห็นธรรมนี่แหละใช่ไหอผู้ที่บรรลุโสดาบันนี่ก็เป็นพระอริยสงฆ์บุคคลขั้นที่หนึ่งนี่ตอนนี้แสดงว่าได้ผลล้วจากมรกมากลายเป็นผลและ ตามพิจารณาเลี้ยสัตว์สี่ตามพิจารณาตายรักนี่กำลังเจริญมากถี่เวลาเจอความทุกข์ปั๊บเนี่ยมันจะต้องจเจริญมากมันถึงจะดับความทุกข์ได้ต้องเห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความอยากอยากอะไรอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วปัญญาก็มาบอกแล้วห้ามมันได้ไปะ่ะวามจริงมันเป็นยังไงความจริงมันก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วจะไปฝืนความจริงทำไมแล้วเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์เท่านั้นไปฝืนความจริงไปอะหยัดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก, ก็เหมือนกับเอาเอาคอ้อนมาทุบศรีรษะตัวเองทำไมทุบไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพะคนเราบางทีโมโหใช่ไหมเอากําปั้งไปทุบนูน่นทุบนี่มันได้อะไรนะ<ม>เจ็บไปเจบเจ็บไปแบบปล่าใช่แต่มันมันไปทุบคนอืน่ไม่ได้ก็เลยขอทุบทุบโต๊ะทุบอะไรไประบายความโกรธ สบายความอยากไม่ได้ดังใจอยากก็เลยอันนี้กับมันไม่ยอมไม่อยากตายแต่มันต้องตายมันก็เหมือนกับทุกทุกทุกศรีรษะตัวเองทําให้ใจทุกไปกว่าตพอเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากก็ที่จะหยุดความอยากก็หายทุกตายก็ตายอย่างสงบตายอย่างสบายตายอย่างไม่มีความทุกเจ็บยังไม่มีความทุก เวลาเจ็บก็ทำใจเฉยๆถ้ามันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปให้รู้เฉยๆเวลาตายก็ให้รู้เฉยๆอันเนี้ยจะก็จะเห็นธรรมในดวงตาเห็นธรร ม, มเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหะพุทธแท้ธรรมแทส้สังขารแท้นี่อยู่ในในใจเนี่ยเกิดในขณะที่ได้ปฏิบัติปล่อยวางร่างกายนี่ ไม่ต้องไปอินเดียไปพิสูจน์ว่าพราะพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล mm. ่าพระธรรมคำสอนพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่ามันต้องปฏิบัติมันต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติอั mm. นหนึ่งบอกให้ปฏิบัติบูบชาอย่าไปอมิสสบูชา mm. อย่าไปการาบไหว้าตาม ส, สถานที่ต่างๆอันนี้สําหรับคนที่ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ระดับไม่ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาก็ ต้องเห็นภาพถึงจะเข้าใจก็ไปไปที่เกิดที่ตาย s <S าไปที่แสดงธรรมไปที่ตัดทะลุธรรมจะได้นึก ภ, ภาพขึ้นมาวออกครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเกิดตรงนี้นะมาบรรลุธรรมที่ตรงนี้มาแสดงธรรมที่ตรงนี้มาตายที่ตรงนี้ก็จะทาให้เริ่มมีศรัทธาเชื่อว่าเออพระพุทธเจ้ามีจริงนะแต่ก็ยังเป็นความเชื่อแบบไม่มั่นใจ ไม่เหมือนกับความเชื่อที่ได้จากการปฏิบัตินี่ถ้า ไ, ได้ปฏิบัตินี้ไม่เห็นอริยสัตว์สิ่มันดับความทุกข์ในใจได้าโอ้โหมันไม่เชื่อใครและมันไม่ไ ม, ไม่ใครจะมาบอกไม่มีนี่งไงมันไม่มีทางเหมือนสมัยนี้มีใครกล้ามาลบล้านคําสอนของมูตันนะว่าโลกนี้มีแรงเดึงดูดใครมาลบล้างทุกคนเชื่อหมดเพราะทุกคนเอาใบพิสูจน์ได้ พอเราพอเราพอเราเห็นทำเราเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราต่อไปเวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมต่างๆศีลล mm hmm. ะพิธะโดยมากก็คือการทําพิธีสะดละเเคราะห์เวลาไม่สบายก็กลัว ต, ตายทุกข์เพราะกลัวตายก็เลยไปสละเคราะห์วิธีต่างๆ mm hmm. ไปหาแล้วแต่หมอดูหรื อ, ออาจารย์ที่ไปหาเขาจะสอนให้สะดละแบบไหน ก็ทําตามครับบางคนก็บอกให้เปลี่ยนชื่อบางคนก็ให้เปลี่ยนทิศบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนทองผมหรือสุดแท้แต่ศาสตร์แตงรศาสตร์ที่เขาจะสอนกันเพื่อให้สบายใจเพื่อให้ความทุกข์ใจหายไปเพื่อคิดว่าจะได้ไม่ตายบางคนก็ไปขอหน้ามนพระไม่สบายหมอบอกเป็นมะเร็งก็บางทีก็มาหนาะพระขอให้พระเมตตาแผ่เมตตา อันนี้ก็ยังเป็นศีลลัพพตปลารม่าเพราะมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเนี่ยแก้ด้วยพิธีกรรมต่างๆวิธีกรรมต่างๆไม่สามารถมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเราได้นอกจากการเจริญมรรคเกิดศีล ส, สมาธิปัญญานี้เท่านั้นเนืงพระโสดาบันนี้จะไม่ยุ่งกับเรื่องพิธีกรรมต่างๆวิธีสละข้าวกรรมต่างๆท่านจะดูที่ใจท่านตลอดเวลาเวลาทุกข์นี้ท่านจะรู้ว่า เกิดความอยากขึ้นมาเลยบางทีก็อยากว่าคนนั้นคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกขึ้นมาเลยอยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกขึ้นมาเลยเราต้องวิจารณาความจริงแล้วแล้วมันทําให้เราทําตามความอยากของได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้อยากไปให้ทุกไปเปล่าเปล่าทไมก็ต้องยอมรับความจริงบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือถ้าละข้อหนึ่งได้คละ สักการะที่ตีได้มันจะละขอสองข้อสามได้ทีพอผ่านก็ทีก็ถือว่าผ่านปริญญาตรีละนี้ก็ระดับปริญญาโทละระดับปริญญาโทนี้มีสองขั้นขั้นหน้าขั้นที่ ข, ข, นนของปริญญาโทเรียกสกิรดาคามีขั้นที่สองก็เรียกอนาคารมีต่างกันไหมตรงที่ว่าสกิรดาคารมีนี้แก้ปัญหาได้ครึ่งหนึ่ง ยังแก้ไม่ได้หมดอนาคามีได้แก้ได้หมดปัญหาของพระโสดามันที่จะต้องไปแก้ขั้นต่อไปคืออะไระการมาราคะท่านยังไม่ได้พิจารณาอสุภะยังเห็นร่างกายว่าสวยงามเห็นร่างกายดาราภาพยนต์เห็นนยแบบนางแบบน้ยังเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยู่ยังอยากจะเสกกามอยู่ ก็เลยต้องทิศร่างกายของนายแบบนางแบบนี้ให้กลายเป็นศสไปนึกถึงศสดเวลานายแบบนางแบบเป็นซากศพยังยังอยากหรือเปล่ายังน่ารักหรือเปล่าหรือเข้าไปดูภายใต้ผิวหนังใช้เอ็กซเรย์ดูเนี่ยปัญญานี่เหมือนเหมือนกับเป็นเอ็กซเรย์เราสามารถนึกได้นึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเนี่ยลำไส้เนี่ยมันมีอยู่ต้องกี่เมตรเห็นไหม มันขดไปขดมาอยู่ในท้องเราเนี่ยกำโพะนี่เห็นไหมลำไส้ปอดนี่หัวใจไตตับนี่มันน้าดูไหมกะโหลกเนี่กะโหลกศีรษะเห็นหน้าตาสวยงามแต่ภายใต้ผิวบางๆนี่มันกลายเป็นอีกภาพนึงเลยใช่ไหมแต่มองไม่เห็นกันไม่มีปัญญาไม่ฉายเอ็กซเรย์ไม่มีตาซุเปอปร์แมน รูปแพรนี่มันฉายทะลุเข้าไปเลยนี่เราต้องถ้าเราพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาอสุภะเรื่อยๆดูอาการสามสิบสองอยู่เรื่อยๆนี่ตอนนี้เดือนหน้าก็มีมีพระบนเขานี้เขาจะไปดูผาด่าศพกันหรือหน้าจะไปโรงพยาบาลจุฬากันจะได้เห็นชัดๆของจริงแล้วเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมาคิดอยู่เรื่อยๆอย่าลืม ไม่ไม่ถ้าไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันลืมเนี่ยเยวไปเที่ยวที่ไหนต่างประเทศไปเที่ยวพอกลับมาถ้าไม่คิดถึงมันเดี๋ยวก็ลืมแล้สถานที่ต่างๆที่เคยไปแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ลืมอันนี้ก็เหมือนการให้ไปดูของจริงดูความไม่สวยงามของร่างกายแล้วมันก็จะดับการมาราคะและปฏิฆาไดปฏิฆาก็เป็นผลตามจากการมาราคะเวลาเกิดการ ม, มาลงขึ้นมาก็งดจิดใช่หย ไม่มีความสุขหมดหงิดก็ต้องมาดับด้วยการทําตามการมาราคะคนส่วนใหญ่เขาดับความหงุดหงิดด้วยการเสกกลามกันพอเสกกลามกันปั๊บก็การมาราคะก็หยุดทํางานความหงุดหงิดก็หยุดตามไปแต่มันไม่หยุดถา ว, ดวาเดี๋ยวมันมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็มากรอบมาอีกรอบเลยวิธีที่จะหยุดถาวต้องไม่ทําตามการมาราคะ เวลาเกิดการมาราคะต้องทําให้มันดับให้มันหยุดไปวิธีทำให้มันหยุดก็ต้องเห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายนีเ่เราต้องไปดูแล้วต้องมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆตลอดจน ก, กระทั่งไม่ลืมพอเกิดการมาลงขึ้นมาปั๊บมันต้องมาทันทีเหมือนกับชกมวยกันนะพอคู่ต่อสู้เขายับมาแเราต้องยับกลับไป ถ้าปล่อยเขายับเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราถูกน็อกคนที่ถูกน็อกก็เพราะเนี่ยพอเห็นภาพสวยๆแทนที่จะหยุดกับดูต้องเข็งเลยยิ่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเห็นแต่ภาพสวยๆมันก็เลยเกิดกามหลงขึ้นมามันก็เลยต้องไปเสกกาม แสดงว่าจุดนี้ก็ต้องใช้อปปนาสมาธิทุกอยาก่างทุกอย่ น, นี้ก็ต้องมาประกอบตัวขั้นต้องม่ีทุกขัน้นต้องมีอัปปนาสมาธิก่อนถึงจะเข้าขั้นริยมรรคได้ถ้ายังไม่มีอปปนาสมาธิในย่างเสียงเข้าอริยมรรคท่านโสดามันก็เข้าไม่ได้เข้าท่านไหนก็เข้าไม่ได้แต่ปัญญามันจะเปลี่ยนไปตามโจทย์เนี่ย คำโซดา ม, มันเป็นโจทย์เรื่องของแก่เจ็บตายขั้นสกิทาคามีอนาคามีหนึ่งเรื่องของการอารมณ์สกิทาคามีนี้ท่านบอกว่าถ้าทําให้เบาบางลงไปก็ได้สกิทาคารามีคือห้าสบห้าสเบื่อบ้างอยากบ้างบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันบางทีพอเกิดการอารมณ์ขึ้นมานึกถึงควาสุภาพทานก็ดับมันได้บางทีเผลอไม่ทันก็อ่ายอมแพ้มันไปก่อนไปเสกกางก่อน แล้วก็พิจารณาไปได้เรื่อยจนกระทั่งมันทันกันเหมือนหนังภาพยนตร์ตะวันตกเนี่ยก็ยิงกันเนี่ยเขาดวลปืนกันถ้าเราชักปืนเร็วกว่าเขาเราก็ฆ่าก่าได้ถ้าเขาชักเร็วกว่าเราเราก็ถูกเขาฆ่าเอาสุภาพของเราต้องเร็วกว่าการบาราค่ะต้องเร็วกับภาพสวยๆเงางามที่จิตมันไปปรุงแต่งขึ้นมาหรือไปเห็นมา พอเห็นภาพสวยๆงามๆมาเรปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันต้องเรียมปรุงแต่งอสุภะขึ้นมาทันทีมันถึงจะดับได้ต่อไปมันจะทันมันจะไวพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆต่อไปเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันก็อสุภะก็มาทันทีอัตโนมัติมาแบบอัตโนมัติถ้าอย า, าอัตโนมัติก็ต้องไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆเหมือนนักมวยซ้อมชก ก็สอบทรายโชกับคู่ซ้อมก่อนใช่เพื่อมันจะได้ไวพอมันไวแล้วลทีนี้ก็ขึ้นเวทีได้ <S <S ตอนนี้เราพิจารณาตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์นี้พิจารณาซ้อมไว้ก่อนรอเวลามีอารมณ์จะได้เอามาดับมันได้พอดับมันได้ก็สำเร็จขั้นที่สามขั้นที่สองขั้นที่สามคือพะ้านาคามีก็ถือว่าได้ปัญญาโททางศาสนาพุทธแ นี่ก็เป็นปริญญาเอกเนียยังมีโจดิโจกทางร่างกายหมดละคนที่ผ่านอนาการมีนี้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อองละไม่มีร่างกายละเพราะไม่มีการมาลงแล้วไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้าเครื่องมือก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นผงถ้าตายไปก่อนที่จะเป็นผ้าอาหารแล้วก็ไปทำ อันนี้ทำอะไรปริญญาเอกในในในสวรรค์ชั้นพรนม น, นสวรรค์ชั้นพรมก็มีโจทย์อยู่ห้าตัวรุปราคาอุปราคาอุปราคาก็คือความความยินดีในรูปประชานความสงบที่เป็นฌานเนี่ยมีอยู่สองระดับระดับรูปประชานกับรูปประชานอัปปนาสมาที่นี่มันมันระดับรูปประชาน ฌานสคืออัปปนาสมาธิแล้อารม ป, ปรชาเนี้ละเอียดกว่าอารมุป ร, ปปรชาเนี้ละเอียดกว่ารูปฌานสงบลึกกว่านึกซึ้งกว่าผู้ที่สามารถกําจัดการมาราคะได้จิตมันจ ะ, ะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติจิตมันจะละเอียดมันจะสงบเข้าไปโดยละเอียดทั้งก็จะไปติดอยู่ตรง น, นั้นเป็นติดอยู่กับความสุขนั่ง มันก็เป็นความสุขชั่วคราวมันมันยังไม่เที่ยงมันมีเจริญมีเสื่อมรูปสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าแล้วเดี๋ยวก็ออกพอออกมันก็เหมือนกับว่าตกสวรรค์นี่ยมันก็ไม่สุขมันก็อยากอยากจะกลับเข้าไปใหม่มันก็ติดเนี่ยมันติดยาเสพติดออัปปนาตัวแรกที่ฉันนั่งรูปปัจจานรูปปาราค่ะ อัปนาณี้ที่พูดถึงนี่ขั้นแรกนี่คือรูปฌานสี่ฌานี้แบ่งเป็นสองระดับรูปฌานสี่มีสี่ระดับูปฌามีสี่ ร, ปปร ะ, ะดับเอารูปฌานมีสี่ระดับไปเปิดหนังสือดูเลยไปเปิด Google ดูมันจะมีคุณสมบัติต่างกันไปความละเอียดมันจะเลกละเอียดมากขึ้นไปความสงบมันจะเลกเข้าไปแต่การเจริญวิปัสสนานี้ ไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปอารูก ป, ประชานเอาแค่รูก ป, ประชานสีก็ใช้ได้มีกำลังที่จะสามารถหยุดตัณหาหยุดกิเลสได้แต่พอจิตได้วิปัสสนากาจัดความอยากเือการมารักท่าได้มันก็ทำให้จิตสงบลึกเข้าไปเองโดยอัตโน ม, มัติจิตเรานีไม่สงบที่มันอยากเพราะการอารมณ์มันทำให้จิตเราอยาก แต่พอเราํำจัดตัวการอารมณ์น่ได้จิตมันจะละเอียดในระดับอรู ป, ปรชาเลยมันก็จะไปติดความสุขในลในสองระดับนี้ในระดับรู ป, ปรชากับอรู ป, ปรชาถ้าติดมันก็จะทุกข์ทุกข์แบบละเอียดมันไม่ทุกข์แบบการมาลาคาะละแต่มันรู้ว่ามันทุกข์มันมันพอมันจิตออกมาจากความสงงังวกรรมาอยู่จิตปกติอย่างเงี้ยมารับรู้อะไรต่าง มันก็รู้ว่ามันไม่ความสุขที่ได้จากรูปฌานรูปฌานหายไปล้วมันก็ยังมันก็ยังอยากอยู่มันก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอย่าก็อยากอยากก็จะทุกข์ให้ยินดีตามมีตามเกิดมันสงบก็ถ้ามันสงบก็สงบมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบอยู่ได้อยู่ได้แบบอยู่กับสงบก็ได้อยู่กับไม่สงบก็ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ มันก็จะแล้วมันก็จะไปมอีอีกสองตัวที่จะต้องไปกําจัดสาตัวตัวที่ต้องจํากําจัดอีกสองสองตัวก็คือมานะกับวิชาการจะกําจัดมานะวิชานี้ต้องใช้ปัญญาค่อยคิดคนว่ามานะนี่มันมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมานะคือการถือตัวถือเราถือเขาเนี่ยมันมีตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหน เวลาค้นความนี้จิตก็ฟุ้งได้มันก็เป็นอุทจจะขึ้นมาถ้าเป็นอุทจจะถ้าฟุ้งก็ต้องหยุดพิจารณาเรากลับมาทำใจให้สงบจะได้กําจัดอุทัจจะพิจารณาเหมือนการทางานบางทีทํางานเลยเถิดไม่พักผ่อนไม่กินข้าวหลับนอนเพราะงานกําลังติดพันกันทําแล้วมันก็ทําให้ใจเครียดขึ้นมาใจฟุ้งขึ้นมาได้ บางทีงานถึงแม้จะสาคัญขนาดไหนแต่ถึงเวลาพักก็ต้องพักไม่พักทำงานก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะมันจะตื้อมันจะมันจะไม่ได้เห็นตามหลักความเป็นจริงเหตนใดการพิจารณาวิชากะมาณะนี้ก็ต้องมีขอบเขตถ้าพิจารณาแบบไม่มีขอบเขตมันจะทำให้ฟุ้งขึ้นมาเวืานะอุทจจั อันนี้ไม่ใช่บุทตจัตอันนี้ไม่เ ห, เหมือนกับบุตจัตในนิวรณ์บุทตจัตในนิวรณ์มันพุ่งกับเรื่องการหาเงินหาทองหาคนนู่นหาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี้มันพุ่งกับเรื่องการหากิเลสจะฆ่ากิเลสไอตัวมานะอาวิชฌัเนี่ยปัญญาตอนนั้นเขาเรียกปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญามันจะหมุนของมันโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันพยายามจะ กำจัดไอ้กิเลสที่ยังเหลืออยู่สองตัวนี้ให้ได้คือมานะพิจารณามานะ mm. ก็จะไปเห็นว่ามานะมันก็เกิดจากความคิดนี้เองความเห็นนี้เองใช่ไหมพอเราจิตสงบความคิดความเห็นอันนี้มันก็หายไป na, ามานะก็หานยไปมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่มีมันไม่มีตัวตนจริงๆหรอกตัวเราตัวเขามันเกิดจากความเห็นความคิดนี้เราก็อย่าไปยึดติดกับความเห็นความคิดนี้มันก็หมดไปแล้ว มันก็มันก็จะไม่ยึดติดกับตัวตนใครจะมาดูถูกดูแคลงใครจะมาอะไรมันก็เฉยเฉยไปเนี่วิชาก็คือการไม่เห็นอริยสัจเห็นทุกข์ที่ละเอียดที่สุดที่ยังมีอยู่ในจิตทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งเหล่านี้อยากในมัอยากในอัตตาตัวตนอยากในควาสมสงบเนี่ยพอมันเห็นว่าตั้งไม่มีความอยากทุกชนิด มันก็จะจบไอสังโยชน์ทั้งห้าตัวนี้มันก็จะหมดปหไปหมดจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความอยากละเอียดในจิตก็หมดไปความอยากในร่างกายก็ผ่านมาแล้วก่อนจะก่อนจะผ่านความอยากในร่างกายกา็ความอยากในราบยอดสัรเสริญก็ผ่านมาแล้ว คนที่จะเข้าไปสู่ขั้นนั้นๆต้องปล่อยทางข้างนอกก่อนปล่อยความอยากในราบลดเสริเสริมความอยากในรูกเสียงเก่นรดกับถึงจะไปบวชได้ใช่ไหมพอบวชได้ก็ไปปล่อยความอยากในร่างกายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็ไปปล่อยความอยากในการอารมณ์แล้วก็ไปปล่อยในความอยากในรูปประชานรูปประชานใน มาณในอวิชชามันก็จบก็ได้ปริญญาตอนที่พิจารณาเรี่ยคกัรเจริญมรรคก่อนตอนที่กำลังหาหาตัญหาว่ามันมันมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ใช้ปัญญานี้ขคุดคุยค้นหามันไป มันก็แบบเดียวกับมันติดนะเพราะมันติดสุขมันได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้มันก็ติดแต่มันมันมันลืมไปว่าสิ่งที่แล้มันได้ความสุขกับเรานี่มันไม่เที่ยงมันจะต้องใช้ตายรักทำหมืที่จะได้สอนใจให้ไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะดีขนาดไหนจะละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นตายรักเหมือนใช้หลักเดียวกันแต่ไปตัวปัญหาคนละระด ปัญญาอะไรต่างกันไปประโยน์ต่างกันไง<า>แต่พื้นฐานคือสมาธิต้องมีต้องมีอัปนาสมาธิเป็นพื้นฐานถึงจะสามารถใช้ปัญญาหยุดความอยากได้วิตัวอัปนาเองนี่ก็เป็นก็พอถึงขั้นสูงก็ก็มันก็อยู่ในรูปปัจจานะรูปปัจจานก็ต้องละเมันกันอ่ามันเป็นเ ป, นเปนติดอะไรไงไปติด แต่ตอนนี้ตอนต้นติดมันได้ต้องใช้มัน ต, ต้องอาศัยมันเป็นเครื่องมือแต่พอเราถึงขั้นบันไดเนี่ยเวลาเราจะขึ้นชั้นสองชั้นสามเราต้องเดินขึ้นบันไดใช่มแต่พอเราถึงขึ้นถึงชั้นชั้นที่เราต้องการไปแนละ้วถ้าเรายังไปติดอยู่บนบันไดเร า, า, าก็ไปไม่ได้เราต้องขึ้นจากบันไดขึ้นไปสู่ชั้นที่เราต้องการก้าวขึ้นไปเั้นพอถึงขั้นสูงสุด <Sail or. S 1> แล้วคยทิ้งหมด ศีลสมาที่ปัญญานี้คุณไม่ต้องใช้มันละไม่มีความจําเป็นจะท่องใช้มันละเหมือนกินยาหายจากโรคแล้วคุณจะกินยาต่อไหมไม่มีผลอะไรกินแล้วไม่กินก็เท่ากันไม่กินให้เสียเวลาทํำไมแต่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไหมเขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่ไม่ต้องใช้มันไม่ต้องเจริญมันเก่งนั้นเป็นปกติ จิตมันไม่ไปทําบาปมันจิตมันไม่ไปฟุ้งซ่านกับมันไม่ไปอยากกับอะไรก็ไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญามาแก้หนิแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่ไม่ต้องใช้มันมาแก้ปัญหาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือมาแก้ปัญหาเพื่อความทุกข์ใจต่างๆเมื่อไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็ไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญา อันนี้ผู้อาจจะเข้าใจยากต้องปฏิบัติเปรียบเทียบได้ก็เพียงแต่ว่ามันเหมือนกินยาเวลาคุณหาจากยาหายจากไข้แล้วคุณกินไหมกินไม่กินมันเท่ากันกินไม่นดาไหมอย่าพระพุทธเจ้าฟ้าดหลานท่านเดินจะผมนั่งสมาธิถ้าไม่ได้เดินเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านเดินเพื่อผ่อนคลายบริยาบวกรของร่างกายเวลาไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบมันก็สบายไม่ต้องคิดอะไร พระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่พระอรหันต์ก็ยังคิดอยู่เพียงแต่ท่านไม่คิดไปในทางกิเลสแต่ความคิดถ้าคิดไปเรื่อยๆมันก็มันก็เหนื่อยได้คุณคิดไปบ่อยคุณก็เหนื่อยเหมือนกันก็หยุดคิดบ้างพักผ่อนพักใจพักกายเาฉนั้นเป็นการพักผ่อนของพระพุทธเจ้าของพระอรหนันต์ท่านไม่ได้เข้าสมาธิท่านไม่ได้พิจารณาทางปัญญาเพื่อที่จะมา มาฆ่ากิเลเลพราะไม่มีกิเลสจะฆ่าแล้วแต่ท่านยังมีร่างกายที่ยังต้องเลี้ยงดู ม, ดมือนไปดูแลมันไปนั่งานานๆมันเมื่อยก็ลุ่งกันมาเดินเดินมากๆก็กลับมานั่งเจ็ดก็อย่าปล่อยเจ็ดก็ปล่อยให้มันหยุดคิดอย่าไปคิดอะไรถ้าไม่มีคังมจำเป็นต้องคิดเป็นแสดงธรรมคุยกันสองชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็กลับไปเดินกลมนั่งสมาธิทําใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไร จะพักใจภักกายไปด้วยแต่มันไม่ได้เหมือนกับสมัยที่ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสตอนนั้นจะพิจารณาแต่หาปัตายรักพิจารณาอาสุพะเพื่อที่จะกำจัด ก, กิเลสตัณหาต่างๆกระใจยังมีใครอยากจะถามอนะไรไหม เวลาอาจารย์นานี่ยมักจะมีธรรมะดีๆออกมาเลยอืคือผมผมก็พยายามอ่านคือฟังหลวงพ่อท่านไหนไม่ไม่ชัดเจนเราก็ไปดูพจนเหมือนกับเราเรียนหนังสือก็ต้องไปเข้าห้องสมุดก็เลยก็ดูไอ์อินเทอร์เน็ตอะไรไปเนี่ยอืมนีอฟังบ่อยๆมันก็มันจะเป็นระบบขึ้นอมันจะเห็นภาพชัดเจนเมันจะต่อภาพมันต่อจิ๊กซอร์เวลาเราฟังแต่ละครั้งเหมือนได้มาชิช้นหนึ่ง เราแต่ละครั้งมาได้ชี่นห่งบางทีก็ได้เรื่องศีลบางทีก็ได้เรื่องสมาธิบางทีก็ได้เรื่องปัญญาบางทีก็ได้เรื่องกิเลสมันก็มามาต่อไปนเป็นระบครับวมีศึกมันต้องฟังใบบอกต้องศึกษามันมีหลายด้านเวลาท่านสอนว่าพิจารณาี่ยแปลว่าท่านให้ใคไขขวนคิดเรื่องเดียวเนี้ยซ้ําๆบ่อยๆเรื่อไม่ให้เลม เพื่อไม่ให้หลืมนะเพื่ออะจะมาใช้เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดได้ดึงออกมาใช้อแต่ว่าถ้ายังไม่อัปปนาก็ดึงมาได้ดอาจจะไม่เต็มที่ดึงมาแต่ไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับกิเลสและไม่ยอมปล่อยแล้วมันไม่มีตัวอื่นแทนอัปปนาได้เลยก็ <c oughs> สติไง <c oughs> ถ้าได้สติก็จะได้อัปปนาเองฝึกสติมันก็จะเอื้อกันไปเหมือนกันใช่ไหมสติเป็นตัวสร้างอัปปนาไง ต้องฝึกสติทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็คุมความคิดเลยอย่าปล่อยให้มันคิดพุดโทโธไปได้ทั้งวันรับรองได้นั่งเรียเป็นอัปปนาไดไ้อัปปนาเนี่ยเป็นสมาธิใช่ไหมครับอแต่ค ว, วามสติเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิสติเป็นตัวดึงจิตให้เข้าไปในอัปปนาไงตอนนี้จิตมันอยู่ข้างนอกอยิตมันเหมือนลิงตอนนี้มันอยู่นอกกรงเราต้องการจะจับลิงเข้ากรง ก็มีเชือกลากมันเข้าไปา น, านะยังนเชือกก็คือสติให้มันหยุดคิดกงของของของของของจิตก็คือความไม่คิดนี่ความไม่คิดหยุดคิดพอหยุดคิดมันก็เหมือนถูกจับเข้างงไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไปทำตามความอยากต่างๆไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่มีเชือกแข็งๆหนึงมันก็เดี๋ยวเชือกขาดเรื่อยเชือกกล้วยอย่างี้ พอมันกต็ตกพีมันก็ขาดกระตกพีมันก็ขาดก็เลยดิงมันก็เลยหนีไปหนีออกนอกกองไม่ยอมเข้ากองเลยต้าหาโซ่ก็ <c oughs> ดูตํารวจใ่ไเขาจากคนนี่คนนี้ก็ยังจะเอาแหล็กมาเ อ, อข้อมือใช่ไหมเก็เรียกอะไรที่เป็นเหล็ <c oughs> ถ้าเป็นเอาเ ช, อ ช, อชือกมามาัดเชือกกล้วยมามัดเดี๋ยวมันก็หลุดเลย นี่คือสติถ้ามีสติแล้วสติเหมันแข็งมันจะดึงลากเข้าไปในกลองได้มันจะเข้าไปแนวปนาได้หรือถ้าเปรียบเทียบเหมือนตีกอล์ฟอะกูจะตีเข้าหลุมเนี่ยไม่ใช่ตีสองครั้งสองครั้งมันจะลงหลุมเนี่เพราะฉั้นตีไปเรื่อยๆไล่มันเข้าไปเรื่อยๆการตีนี้ก็เหมือนเป็นการเจริญสติดึงใจให้มันเข้าใกล้อปนาไปเรื่อยๆถ้าปล่อยมันคิดมันก็จะหนีไกลออกไปจากหลุม ถ้าใช้สติดึงมันก็จะดึงเข้ามาพุทธโธนี่ก็เป็นการดึงจิตเข้ามาถ่าอาจารย์ถ้าตอนอัปปนาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็เน้นถึงผลของอัปปนาคู่เบกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจิตเนี่ยมันสมมุติเราเข้าไปสมาธิแล้วเราออกเนี่ยผลเนี่ยคือเราอยากได้อุเบกขา<อ>คือการวางเชยใช่ไหมนั่นแหละอุเบกขาอัปปนาเนี่ยตัวเดียวกันละคือเวลาเะไรกระทบ ก็เอาปัญญาเนี้ยเข<อ>้าไปพิจารณาอาแล้วถ้ามีถ้ามีอุเบกขาก็เฉยนะไม่ตอบโ<า>ต้ก็าวางไปใกล้ดาล้วก็พิจารณาว่าตอบโต้มันไม่ดีเฉยดีกว่าปล่อยมันดาไปเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็หยุดเอง <c oughs> ก็จบแสดงว่าตรงวางในวางด้วยเหตุและผลของปัญญาในพุทธศาสนาคือวางด้วยถ้าวางด้วยปัญญามันจะวางแบบท้าววอนไงแต่มันจะวางแบบท้าววอนได้มันก็ต้องมีอัปปนาช่วยมีอุเบกขาช่วย ถ้ามีปัญญาบอกเอออย่าไปตอบโต้แต่ไม่มีอัปปนากิเลสไม่ยอมนะอุเวกขาตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับเวทนาที่เรียกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขอไม่มใช่นี่มันใช่อุเบกข์ตัวกันอันนั้เป็นแบบคำว่ากลางๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ก็กลางเหมือนกันแต่มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต่างกันอุเบกขาต่างกันความหมายต่างกันถ้าอุเบกขาเวทนาหมายถึงไม่สุขไม่ทุกข์ แต่ถ้าอุเบกขาของสมาธินี่หมายถึงไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนะไม่หลงก็คือไม่เห็นว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเฉยอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็มันก็ยังจะลักเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะมันก็จะมารักมาชังต่อ ตอนนั้นนะ่ะถึงต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปรักอย่าไปชังกลับไปที่อุเบกขาเหมือนเดิมกลับไปที่เฉยเหมือนเดิมเรารู้จักเฉยแนละ้วให้กลับไปเฉยไดนะ้ถ้าเรายังไม่รู้จักเฉยจะเฉยไม่ได้เฉยไม่เป็นถ้าเราเฉยเป็นแนละ้วเวลาปัญญาสอนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับใครเฉยดีกว่ามันก็จะเฉยแต่ถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตที่เคยเฉยมันก็ไม่เฉยได้เพราะกิเลสมันจะหล่อให้ไปสู้กันได้ ไปมีเรื่องมีลากันไดไปรักไปชั่งกันได้มันต้องมีทั้งสองตัวมีทั้งสมาธิทั้งปัญญามันถึงจะทํางานทำหน้าที่ได้สําเร็จนู่ร่วงไปคือมันต้องเป็นภาวนามย์ปัญญาถ้าจิตมีอุเบกดขามีอัปปนาสมาธิและเวลาพิจารณาปัญญามันจะเป็นอภวนามย์ปัญญาทันที ถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีอัปปนามันก็จะเป็นจินตามายัปัญญาคิดเหมือนกันคิดแบบไม่มีกำลังเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่กับคนที่ไม่กินข้าวอิ่มไปทางานเนี้ยคนกินข้าวอิ่มัมนทํางานได้มีประสิทธิภาพกว่าใช่ไหมกับคนที่หิวอ่คนหิวมันไม่มกระจิกกระใจจะทํางานมันอยคิดจะหาข้าวกินอย่างเดียวคนที่ไม่มีอัปปนาก็จะคิดจะหาลูกเสียงกินรสหาความสุขอย่างเดียว พอกิเลมาชวนมันก็จะไปกันเลยแทนที่จะฝืนจะสู้กันมันไม่สู้ตามไปเลยพอกิเลชวนไม่กินไปไปเสพอะไรมันก็ไปเลยเพราะมันไม่มีความไม่มีความอิ่มในใจแต่ถ้ามีอัปปนาสมาธิมีอุบเบกขานี่มันมีความอิ่มในใจกิหลมาชวนถ้าปัญญาบอกว่าอย่าไปก็ไม่ไปแต่ถ้ามีปัญญาก็ยังไปได้อยู่ เพราะมันมีความสุขมากนะจิตที่เป็นสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากลูกเสียงกินดูดเนือจากเนือจากเนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบรูดสารละเสริญ แ, แต่มันยังไปได้ถ้าไม่มีปัญญาเวลากินเลนสมาชวนเคยเคยชอบกินกาแฟมาชวนไปกินกาแฟกินก็กินวะแต่ไม่รู้กินแล้วติดเนี่ย ถ้ามีปัญญาเนาะบ่อยอยา ก, กินกินแล้วติดเดี๋ยวแก่เวลาไม่มีกินเนี่ยทำไงมันไม่เที่ยงไม่มีกินก็ทุกข์กว่าเนี่ยก็อย่าไปกินมันดีกว่ากินแล้วมันติดอันนี้ปฏิบาัติไปมันด้วยไงเพราะอันนี้มันพูดจากคือสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ก็ต้องพูดพูดเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าต้องทําอะไร แต่จะเห็นชัดเจนแบบแดงแจ๋อนี่ต้องปฏิบัติมันจะเข้าใจนะแล้วไม่จะไม่สงสัยอะไรถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็ยังสงสัยงงานึกมุมไม่อยู่เพราะมันเหมือนกันยังไม่ได้เช็คซอร์ครบทุกยังไม่ได้เอามารวมกันได้เช็คซอรมาแนละ้วแต่ยังไม่เอามาติดกันในการปฏิบัติคือเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้เนี่ยมามาวางไว้ให้มันติดเป็นภาพขึ้นมาที นั่นต้องปฏิบัติต้องไปอยู่คนเดียวไปพุโทโธพุโทโธสร้างสติขึ้นมาเดินให้ลึงคือใจตัวนี้เข้ากลงให้ได้ตอนนี้มันไม่อยากเข้ากลงเนี่ยมันยังอยากไปฮ่องกงยังยังไปญี่ปุ่นเนี่ยให้เข้ากลงไม่ไปแล้ไปฮ่องกงไป <c oughs> ถ้านบอกว่าถึงจะฝึกสติให้ดียังไง การนั่งสมาธิก็จําเป็นใช่ถ้าไม่นั่งมันไม่นิ่งเพราะจิตยังทํางานอยู่ร่างกายนี้มันมันไปไหมนมาไหนได้เพราะจิตเป็นคนสั่งเป็นคนใช้จิตต้องคิดต้องทํามันถึงี้มันถึงถ้าถ้าอยาก ใ, ให้จิตนิ่งร่างกายก็ต้องนิ่งก่อนพอร่างกายนิ่งจิตก็จะได้ไม่ต้องทํางานได้ปล่อยวางร่างกายไดนะ้เลิกใช้ร่างกายเลิกสั่งให้มันเดินเลิกสั่งให้มันทำอะไรได้แต่ก่อนจะให้มันนิ่งได้นี้ต้องมีสติค่อน ถ้าไมีสติมันก็ไม่ยอมนิ่งเพราะกิเลสมันชอบดันให้มันทำนู่นทานี่อยู่เนี่ยกิเลสอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงโน้น อ, อยู่โนุนก็อยากจะไปทางนั้นอยู่ทางนั้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้มันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีสติมันก็จะหลอกเราไม่ได้มันก็จะอยู่กับที่ในเบื้องต้นอยากจะสู้กิเลสเรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงเนย ไ ม, แบบ ไ, มไม่ต้องนั่งแบบไม่นั่งไม่นั่งนั่งสมาธินั่งเก้าอี้สบายสบายไม่ต้องทรมา น, นั่งกายให้ทารมากิเลสเนื่องจากนั่งเฉยๆกิเลมันอยากจะไปนูน่นมาเนี่ยไม่ต้องไปไปทําไมเร า, เาวันที่เราไม่มีธุระไม่มีอะไรต้องทําอะไรให้เรานั่งยอยู่เฉยๆถ้าหกชั่วโมงดูดูเส้นจะสู้มันได้อหวหรอกถ้ามีสติก็สู้มันไหวถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็ระบะแตกเดี๋ยวก็อึดอัด ออกจะแตกมันจะระเบิดขึ้นมาความอยากมันจะทำให้รู้สึกก็อนุญาตอย่างเดียวถ้าปวดท้องฉี่ก็ท่องน้ำได้ถ้าอยากจะดื่มน้าก็เอาน้ามาวางไว้กับกงเก้าอี้ไม่ต้องไม่ได้แล้วก็ถ้านั่งมั่วก็ให้ลุกขึ้นมายืนได้ให้เปลี่ยนอิศยาบุตรให้นั่งก็ยืนกันแต่ไม่ให้เดินเพราะเดินเดี๋ยวมันไปตามความอยาก เราดูเนี่ยแค่ น, นี้มันสู้มันสนุกจะตายแต่ถ้าชนะมันมันจะมีกําลังมากเลยเอาง่ายๆก่อนอย่าไปขั้นทรมานร่างกายต mm hmm. านนี้เราไม่ต้องการทารมานร่างกายเราต้องการสู้กับกิเลสหยาบๆก่อนอกิเลสที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปนรงโน้น อ, อยู่ตรงนั้นแต่อย่าไปตรงนั้นวันนี้ก็คือขันติใช่ไหมเมื่อสติเนี่ยต้องมีสติขันติด้วยก็ได้จะใช้ขันตนิถ้าใช้สติมันจะดีกว่า เพรามันจะได้นั่งทำหรือจะทําทอะไรก็พุโทโธพุธโทโธนั่งสมาธิไปเลยไม่ดีกว่าจิตสงบมันจะเบาสบายไม่ต้องใช้ขันติอย่าไปนั่งเฉยๆถ้านั่งแล้วพยายามใช้สติให้มากพุโทโธให้มากนั่งให้มันสงบให้ได้ถ้าสงบแล้วมันจะเบาจะสบายจะไม่อยากไปไหนจะไม่อยากลุกไปไหนแต่พอออกจากความสงบมาเนี่ยมันจะไปแล้วอยากอีกครับก็ต้องใช้สติดันมันกลับเข้าใหม่ม อยู่ที่ว่าจะเข้าไปได้สักกี่รอบในละหกชั่วโมงเนี่ยถ้านั่งได้สักหกรอบนี่ก็สบายเรามาชั่วโมงเนี่ก็ไม่รู้สึกจะเทอนไม่รู้สึกเจ็บไม่ทรมานถ้ามีสติถ้าไม่มีสติโอ้มันจะตายให้ได้เหมือนเหมือนจะระเบิดอความอยากมันยังทำให้มนันอยากจะระเบิดถ้าเราดูอย่างง่ายๆมันไม่เห็นต้องทําอะไรเลยสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นมีใคร ก่อนมาใครคิดทำกันเราไม่มีใครคิดกันสักคนเราคิดมาแปลกล้าไม่รู้เปินเราคนพิสดารเนีนันชอบคิดไม่มีใครสอนเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองครับงหลอกกูนเนี่ยไมือหนได้อะไรเลยกูจะไม่เชื่อมัล้นงเ ฉ, เฉยดูสิโอ้ชั่วของมันเวลาเผลอนี่ก็ทุกข์ทรมานเพราะไม่เผลอมีสติบ้ามันก็สงบ ามันบางครั้งเวลาฝึกสติไปในตัวมันจะได้ไม่ทุกข์ไม่ไม่ทรมาร์ดนี่แหละคือการปฏิบัติมันต่างจากการศึกษาศึกษาเปนง่ายค น, คนคนที่ว่าศึกษาแล้วบรรลุ ก, กันเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติที่ว่าบรรลุ ก, กันบรรลุด้วยความคิดไม่ได้บรรลุในการปฏิบัติบางคนก็ศึกษาแล้วบางทีก็ไม่มีความทุกข์กันเขาไม่มีความอยาก เพราะาไม่เคยไปเขาไม่เคยไปสู mm. ้กับความอยากเวลาอยากก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นไป่สมอเวลาอยากก็ไม่รู้ว่าเป็นความอยากมันเข้าข้างตัวเองใอ่มเวลาเราสู้กับความอยากนี่โดยถ้าไม่ใช้สติไม่ใช่สมาธิใช้ขันตินะเวลาความอยากมันแพ้เนี่ยมันก็สงบเลยนะเหมือนจิตพลิกหน้ามือเป็นหนังมืออยาก จากเครียดจะเป็นบ้าเนี้ยพอความอยากมันหยุดปั๊บมันนิ่งเลยอันนี้ใช้แบบใช้ใช้ขังติมันจะเห็นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในจิตเคยลองนี้มาก่อนตอนนั้นไม่ได้มีสติใช้ความอดทนสู้กับมันเลยมึงจะไปก็ไม่ไปกูยไม่อยู่มันจะมันจะขึ้นความเครียดมันจะขึ้นจนมันถ้าจะเป็นบ้าเลยนะนั่นบางทุกเสกมันแทาจะเป็นบ้าเลย แล้วพอเราไม่ทำตามที่มันอยากปับ๊บมันหยุดเลยพอหยุดปั๊บมันหายไปเลยนิ่งสงบเบาสบายไม่ได้เป็นอับปานาไมไ่เป็นอะนกลรบมาเป็นปกติจากแทบจะเป็นบ้ากลับมากลายเป็นปกติเนี่ยเพราะความอดทนนะตอนนั้นใช้ความอดทนสู้กับมันไม่ได้ใช้สติก็ลองคิดดูบางทีเราเครียดกับเรื่องอะไรถ้าเรา เราไม่ไปทําตามมันเดียวทึ้งนั้นก็หมดไปเองมันก็หยุดไปเองพอหยุดมันก็หายเครียดนีดูบางทีเราลืมไปไปทำอะไรปั๊บลืมเรื่องนั้นไปมันก็หายเครียดเนี่ยเห็ไม่สังเกตเด็กนี่เวลามันอยากอะไรเราไม่ให้มันเนีโอ้ยมันจะเด่นเลยเด่นเนยแล้วมันหมดแรงอ่ะพอหมดแรงเหมืออพอมันยอมแพ้่มัแพ้จบถ้าไปตามใจมันเดี๋ยวมันขออยู่เรื่องเนี้ย ขอโน่นขอนี่อยู่เนี่อยๆถ้าจะเลี้ยงเด็กให้ดีเนี่ยต้องอย่าไปอย่าไปตามตามใจมันถ้าตามใจมันเราเสียคนให้มันดิ้นมันร้องให้มันพอเนี่ยเดี๋ยวมันหยุดของมันเองมันรู้มันไม่ได้เนี่มันก็หยุดเองแล้วต่อไปมันจะไม่กล้าดิ้นมันไม่กล้าขอขอก็ไม่ได้เราเลี้ยงลูกผิดกันนะกลัวมันกลัวมันจะร้องกลัวมันจะดิ้นมันขออลไรพอมันดิ้นหน่อยรี่ไปหามาให้มันเลยเนี่ยเราแพ้บบนี้ แล้วลูกเราก็แพ้กิเลสของมันลูกเราก็จะเสียคนต่อไปหากข้ามจิตใจไม่เป็นตอ น, นี้พิวรอบแรกหมดเวลาจะอนุโมทนาให้ทองยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากางเอวเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปกะ ป, ป, ปติ อิชิตังปฏติตังสุมหังคิดตเนวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญญาระโสยทาณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินาศตุ มาเตพวตวันตรายูสุขีทีคาโยกาวะอภิวาทานสีลิธสิจจามุทาปจายโนจตารโธรรมวทานติอายุวนูสุขังภาลงไล้ะายแกกเตบตติด ไปหาการแล้วหมมาภาพสี่ทางนี่เหรอาสีสินวันนี้ลาสินอาจะกลับบ้านก่อนสีสินที่ไหที่วัดที่นี่การมวานที่มาฟังที่ไนทหนเลยสยามจะมาให้นานบ้าแบบนี้ค่ะจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องมาที่นี้ก็ไที่นี่จังหนะต่างต่างผ่านมีทุกกระดับทุกกระดั ก็ว่้อตงาบรรยากาศไม่เหมือนกันที่บ้านที่นี่บรรยากาศมันไม่เหมือนกันเปิดพี่ยุไว้ทช้าวันนี้คืนเลยโรดซีดีที่นี่มันสงบเงียบทางธรรมมันมีรถมีชาต้องฝึกนั่งสมาธิให้ได้ต้องเจริญสติให้ได้ถึงจะเท่าเสริมอริยมารอริยขผนได้ ทำไม่เงี้ยมันเข้าไม่ถึงแต่ยามทำคนที่เขาฟังทำแล้วบรรลุส่วนใหญ่เขามีสมาธิกันแล้วทั้งนั้นเป็พวกที่พคนที่พระเจ้าทรงเรื่องแสดงธรรมทั้งด้นนี้เป็นพวกนักบวชทั้นั้นเป็นพวกฤๅษีทีไทยเป็นพวกมีชานาพวกพอแสดงพวกก็บรรลุ ก, กันเลยนะเพาฟังเข้าใจก็ก็ทําตามที่สอนได้สอนให้หยุดความอยากให้ให้อยู่เฉย ไม่ทําใจเฉื่อยแต่เราทําใจเฉื่อยเมื่อจำในเวลาเราออกจากปนานะก็แสดงว่าอุเบกขาที่เป็นผลเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในจิตใจเราใช่ครับเราสามารถที่จะไปดึงมันออกมาเช้ได้เพรามันดึงออกมาได้ด้วยสติเนียงพอเราไม่นํั่อมันก็ไม่มีอะไรดึงมาบ้านเราต้องไปสร้างฐานกลับไปที่ฐานก่อน ฐานของจิตก็คือสมาธิเมื่อเราไปถึงฐานแล้วต่อไปเราก็ดึงจิตกลับไปที่ฐานได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ทําใจให้เฉยๆหยุดความคิดปรุงแต่งใช้สติส ต, ติมีกําลังแล้วมันก็จะสั่งให้มันหยุดได้เหมือนขับรถเนคนขับรถแต่ไม่รู้รู้แต่เกียร์นหน้าท้ายหลังแต่ไม่รู้จักเกียร์ว่าง มันก็วิ่งหน้ามันก็มีแต่วิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลังอย่นันจอบไม่ได้สักทีพอหาดเจอเกวว่างได้ก็จอบได้เกีนร์เราตอนนี้ไม่มีเกียวว่างอะไรเลยนะไม่เดินข้างหน้าก็เดินถอยหลังเดินข้างหน้าก็ชอบเดินถอยหลังก็ชังถ้าชอบอะไรก็วิ่งก็หาเลยถ้าเกียรอะไรก็ถอยเลยถอยดีกว่า การที่อยู่เฉยๆสบายๆ อ, อยู่ไม่เป็นชอบก็เฉยชังก็เฉยนะไม่ใจสบายจชอบก็เครียดชังก็เครียดเครียดคนละแบบทุกคนละแบบถ้าเฉยถ้าวา่างก็ถ้าเกียว่างก็ไม่ทุกเฉยเราต้องการตัวนี้ต้องการตัวเกียร์ว่างเจ้าจิตว่างอย่งนิพพานองบรารมังสูญอย่าง แต่เวลาเราฟังธรรมก็ถึงเราจะปฏิบัติไม่ถึงจุดแต่มันก็มีความสุขขึ้นนะจได้มันก็เริ่มนี้ได้ว่าไม่ได้เลยเลยมันได้ทฟังธรรมก็ได้ความสุขนะ่ฟังธรรมันก็อย่ดกเลไปชั่วคราวว่าระดับมันยังไม่ก็ยงอยู่มัธยมมันจะได้เหมือนทำงานตอนต้้งใจเดือนละหมื่นนึงแล้วทาต่อไปก็ได้สองมก็ไปเรื่อยๆเียก็ได้เงิแส มันก็จะติดใจมันอยากจะทําอยู่เรื่อยจะปฏิบัติเพิ่มก็มากขึ้นไปเรือเ่อยตอนดนน้วย่างสือธรรมะก็โอมีความสุขไปต่อไปมันเต็มละเต็มขั้นของมันนะอยากจะได้สูงกว่านี้ก็ต้องปฏิบัตินะพอมันได้สมาธิก็ได้ความสุขอีกขั้นหนึ่งนะ้แล้วพอได้มันเต็มขั้นของสมาธิก็ต้องไปขั้นปัญญาแนละ้วความสุขขั้นปัญญาสูงกว่าม่ ก, กว่าสบายกว่าขั้นโสดามันก็ อีกขัน้นนะสูงกว่านี้ก็ยังมีางการสกิทาคามีก็สูงขึ้นไปอนาคามีก็สูงขึ้นไปเราถึงขั้นอรหันนี่มันเต็มที่แล้วปรมังสุสุขขังละเต็มที่ละเต็มขั้นแล้ ว, ล ว, ลวไม่มีขึ้นละถ้าเป็นข้าราชการก็41ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบว่าเดินอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าปฏิบัติด้วยบางครั้งมีเวลามาปฏิบัติที่วัด แต่ด้วยหน้าที่การงานหรือว่าสังคมที่ยังจะต้องออกไปแต่ยังอยู่ในสิ่งขึ้นไม่ดื่มแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยนเนี่ยการปฏิบัติก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมคะเพราะว่ายังมีในเรื่องของโลกแล้วก็สังคมที่เข้ามาเกี<า>่ยวข้องล้าก็แบบว่าไปไปมามาไงรางวัลวก็ไปข้างหน้ารางวัลวก็ไปข้างหลัง <laughs> จะต้องเลือกเลยใช่ไหมก็คนที่เขาไปบวชกันก็เลือกนล้ ถ้ายังไม่บวชก็ยังเรือกเหมือนกันได้เลือกทางเก่ายังไม่เลือกทางใหม่ันที่เขาอยากจะไปทางใหม่เขาก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนทิศทางก็มีเนี่ยคนที่ทุกคนก็เกิดมาก็เกิดมาทางเก่าด้วยกันนะแล้วพอมันได้เจอาศาสนาพุทธได้เจอครูบาอาจารย์ได้ฟังคําก็เปลี่ยนทิศทางออกบวชกัน คนที่จะไปทางที่ 99.9% นี้เป็นนักบวชมีพวกที่เป็นอัจฉริยะมาซ่าแต่นั่งเดิมมีของเก่ามาแต่พอมารู้ก็ขอบวชอยู่ดีไม่รู้จะอยู่เป็นคาราว่าเป็นเท่าไหร่มันคนละโลกกันมันคนละวิถีทางกันอยู่กับคนในโลกไม่ได้หรากที่มารู้ทำเพราะมันชอบคนละอย่างนคนมารู้ทาชอบความสงบคน คนอยู่ในโลกก็ชอบลาบนุ่นสรเเสดเด็กก็ชวนไปกินเลี้ยงชวนไปงานนู่นงานนี้ไอ้คนชอบความสงบไม่อยากไปมันเบื่อต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเล่นนิเกะไหมใส่สายสะพปงสายสะพายเราเต็มไปหมด <c oughs> ใส่เพชรใส่สร้อยใสย่อะไรเป็นเหมือนลิงหม <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นนิเก <c oughs> <c oughs> ก็ยัไปงานแต่งงานนี่เหนื่อยนะไปไปเดียเด๋ยวๆกลับมาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนชนนะแต่ที่คนมีความสงบ ม, มีความสุขแล้วก็ไม่ต้างการของอะไร <N> อยูอยู่กับคนนึ่นคนที่ติดนี้ไปด้วยกันไม่ได้ <N> มีก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเริ่มเบื่อกับกิจกรรมงานสังคมแต่ยังต้องไปอยู่ก็ยังยังไม่ได้ตัดขาดออกจากกัน ต้องค่อยๆใช่ไหมจ้ะก็อยู่ที่กําลังของเราไม่ได้อยู่ค่อยๆนะถ้าเราที่เราอยู่ในทางโลกอ่ะพาจายนเรายังอยู่ในทางโลกไงฮะบางทีเรายังไม่ได้คือมันยังห้าสิบห้าสิบก็เหมือนจรวดเนี่ยถ้ามันจรวดมันขึ้นไปในอวกาศได้เพราะมันมีกําลังนี่จรวดของเรายังไม่มีกําลังเราปฏิบัติยังน้อยไปมันก็เลยยังไม่มีกําลังที่จะออกไปจากแรงดึงดูดของโลกแต่ถ้าปฏิบัติจนมีกําลังเนี่ยมันจะ มันจะไปได้มันก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่มีภาระผูกพันกับใครมันก็มีเวลาเติมน้ำมันเติมพลังจนหมดปุ๊บพอออกสตาร์ทก็วิ่งไปเลยแต่บางคนนี้มันไม่มีเวลามาเติมพลังเติมน้ำมันเพราะมันมัวแต่ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ผูกพันกับครอบครัวอบคุณกับพี่น้องกับพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นมันก็หาเวลาไปเติมน้ำมันไปปฏิบัติไม่ได้ มันก็ไม่มีกําลังที่จะออกไปได้อย่างเรนี้โชคดีเราไม่ต้องยุ่งกับใครเลยตั้งแต่เรียนจบมานนี้ไม่ต้องยุ่งกับใครเลยพ่อแม่ก็ไม่ต้องยุ่งกานก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพอนด้หนังสือธรรมะปั้มมันก็ไปเลยเติมน้ํามันกันเลยตามปีเดียวก็ไปบวชได้นะปฏิบัติอยู่ปีเดียวก็ไปบวชได้คนะปปนะอย่างนี้อยู่ที่ของเดิมด้วใช่หมเ้าคะก็ ยาของเดิมไม่เท่าหรอกอยู่ของใหม่อยู่ที่ธรรมะอุทยามากกว่าถ้ามีของเดิมมันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มันก็ไปไม่ได้มันอาจจะไปได้แต่ไปไม่สุดอาจจะไปบวชได้ถ้ามีของเดิมถ้าเคยบวชมาแล้วในอดีต ก, ก็อาจจะไปบวชเพราะมันจะไม่ชอบชีวิตของคารวะแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาในยุคนี้นะก็ไปไม่ไม่สุดทางไปได้แค่ขั้นฌานแค่ขั้นสมาธิ ก็จากไปขั้นมรรคผลนี่ต้องมีพระพุทธศาสนามาบอกทางชางนี้เลยเป็นจังหวะที่ดีได้หนังสือจธรรมะบอกทางถึงถึงถึงพระนิพพานเลยก็เลยขอให้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองคาสามพระเจ้า ก, ก็เป็นเหมือนแผนที่ดีๆนี่เองทางอย่างนี้นะขั้นที่หนึ่งครับขั้นที่สองทง น, น, ทงทงนี้ขั้นที่สามทางนี้ พวเราไม่ทํากันเองแล้วมาอ้าวติดนู่นติดนี่ติดพ่อติดแม่ติดงานติดลูกติดอะไรมันก็ไปไม่ได้มีแผนที่แล้วแต่ไม่ออกเดินทางกันเีงคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมครับทุกข์เพราะความอยากคิดไปในทางความอยากความคิดมันคิดไปในทางความอยากถ้าคิดไปในทางความไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์อย่าเมื่อคิดแต่ทางอรสุภาพมันก็ไม่ทุกข์นะคิดไปในทางบ้า เกิดแก่เี็บตามันก็จะไม่ทุกข์ละมันจะไม่โลภเพราะรูกจะตายนี่มันจะไม่โลภอยากได้อะไรนะมันก็ไม่ทุกข์กับความอยากกันตาไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรถ้าลูกจะต้องตายไปในสามเดือนนึงอยากจะได้อั่ไหมะย่งอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้แฟนอยากจะได้แล้วกัมันไม่คิดเองมันชอบไปคิดว่าจะไม่ตายกันเดี๋ยวจะอยู่กันไป ไอ้แม่หนังหนังอะไรอยู่ช่วงนิดลีังนีทั้งเลยจบแล้วก็อยู่กันไปช่วงนิดเดียวเนีคิดว่าเดี๋ยวอายุเยียร์รับใครเข้าวัดบวชชีอะไรอย่างเงี้ยไม่จ่ายไปแล้วเพั้นไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงเดินไม่ไหวจะนั่งสมาธิก็ลาบากจะสวดมนต์ก็ลำไหวใช่ไหมจะมาถวายข้าวของก็ยังลำบากเลยใช่แล้วไม่มีกิะติกกระเที่อยากจะทำอะไร อยากจะอยู่บ้านนั่งดูทีวีดีกว่าสบายเ <c oughs> <laughs> งี้ยถ้าเราไม่หาเวลามาปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้มันต้องมีพลังถึงจะไปได้จะไปด้วยความเชื่อศรัทธาไปมันก็ไปไม่ไหวไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมามไปแนละ้วมันไม่รู้จะไปทํำอะไรทําให้เป็นไปอยู่วัดก็ไม่รู้จะทําอะไรจะริ่สติก็จะเริ่มไม่เป็นนั่งสมาธิก็นั่งไม่เป็นเดี๋ยวก็ไปทาาไปํางานในวัดไปน้ําถ้วยน้ําชาไปกว่าด วัดทําอะไรไปเพื่อฆ่าเวลามันก็ไม่ก้าวหนะ้าก็ได้แค่ระดับบุญเพือไปทําบุญไปทําประโยชน์แต่ไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับจิตใจมากนะทําประโยชน์ให้กับข้างนอกมากกว่าถ้าจะทําประโยชน์ให้กับจิตใจต้องมีสติควบคุมความคิดตลอดเวลาอยากไว้ให้มันคิดในเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดหยุดมันให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปคิดทางปัญญาต่อเพราถ้าไม่หยุดมันมันจะไม่คิดทางปัญญาเราจะหลอกตัวเราเองว่าคิดทางปัญญาแต่เนี้ยมันพลิกเราย้อนสอนเราโดยไม่รู้สึกตัว ค, คิดไปคิดมาการเป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ม ไ, ไม่รู้คลุ้งซ่านเนี่ยค่ะอ่าคล่านเลย <S <S> <S วิตกกังวลห่วงใยนึกโหนผู้ใจคิดถึงความตายก็หดหู่ใจ ท่านหูถูใจน่ก็ ค, คิดไม่ได้แนละ้วต้องหยุดคิดเมื่อคิดไปไม่ดีเดี๋ย ว, วคิดค่าตัวตายนี่เล่นกิเลสไปอีกแบบแต่ถ้ามีสมาธิแล้วคิดมันจะไม่มีอารมณ์มันจะเฉยมันจะดูความจริงมันจะศึกษาความจริงเหมือนนักวิทยาศาสตร์ดูความจริงจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ดูไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หล ตนนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่แล้ววันนี้เฟซบุ๊กจาก 370-304 ค่ะทาง YouTube ตอนนี้มี 33-33 ค น, น แ, ตแต่ทาง YouTube ตอนนี้ข้างล่างเขาบอกว่าเสียงจะแตกๆมาเสียงแตกไหยครับแต่เมื่อกี้ลองปรับดูแล้วนะฮะไม่แตก<ม>แล้วก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นนิดหน่อยะฮะถ้าไรงแตกแตดังไปน่าจ ะ, น, าจะน่าจะมาจากน่าจะมาจากตัวนี้นะฮะแต่ แต่เมื่อกี้ลองลองลองถ อ, อดึ้รแล้วนหครับครับ <ฮะ S 2> ทวนี้ยังไม่ได้มาชาลัยังไม่มาอยางครับทัวนี้มาจากลาสเวกัสมาเรื่อยๆสองสามวันก็เข้ามาที่ามมีคำถามไหมมี<า>อินบอ็อกซ์มีอินบ็อกซ์เป็นคำถามไหมยู u b e ยังไม่มีครับ ของอินบ็อกซ์อินบจากจากคุณเขมิกาแม่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันคือเจ้ากรรมนายเวรมีคนถือศีลบอกท่านว่าต้องล้างเท้าดิฉันแล้วกราบถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันและแม่ดิฉันถึงจะปฏิบัติธรรมได้บรรลุดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากคะ่ะควรทําเช่นไรดีครัก็บอกแม่เนี่ยมันเป็นศีลัะพัส ต, ตาบมมาลามะแม่ไม่สบายใจเพราะแม่อยากให้หนูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอหนูไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ต้องการแม่ก็เลยทุกกําหนูแม่หยุดความอยากเสียก็จบแม่อย่ามาอยากอะไรกําหนูเลยปล่อยให้หนูเป็นตายเป็นไปตามเนื่อของหนูไปล้วกันถ้าหนูจะด่าแม่หนจะตีแม่ก็แม่ ก, ก็ถือก็อ ย, ยอมรับเป็นไปเสียอาจจะเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมกันมาอย่างที่พูดแต่การจะมกากราบเท้ากันมันก็ไม่แก้หรอกมันต้องแก้ที่ใจหรอ มันก็มาครึ่งทางล้การแก้การามายอมกราดเท้าล้ áng, างเท้าให้ลูกก็แสดงว่ายอมแล้ว <lex ic ill ians> ก็ยอมปล่อยให้เขาไปสิอย่าไปอยากอะไรกับเขาลูกอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่ทุกข์เพอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเชื่อฟังแล้วลูกไม่เชื่อฟันนองนี้ก็เหมือนจะเป็นไม่อยากให้ลูกเถียงลูกชอบเถียงนี้ มันก็เลยกลายเป็นคู่กรรมกันแต่ความทุกข์มันเกิดจากความอยากไม่ให้เขาเถียงเราความอยากให้เชื่เขาเชื่อฟังเราเคารพเราขเขก็ไม่เชื่อฟังเราเขาไม่เคารพเราเพราะบางเวลาเขามีอารมณ์ขึ้นมา <Okay. S 1> เขาก็เลยเถียงเขาก็เลยไม่แสดงความเคารพไม่เชื่อฟังเราก็เลยเสียใจทุกข์ใจวิธีแก้ต้องแก้ที่ใจของแม่เองแก้ที่ความอยากแม่อยากไปอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลย เรอมันเป็นเรื่องของเขาเราสอนเขาได้แต่เขาจะเชื่อเราฟังเรื่องเราหรือไม่นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะคนเราบางทีมันมีอารมณ์ไม่ดีนี่มันจะลืมความความดีต่างๆที่คนจะทําบางทีลืมพ่อลืมแม่เลยใช่ไหมบางทีโกรธนี้ด่าพ่อด่าแม่ได้บางคนโกรธมากฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ เราต้องทำใจว่าเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาคำถามจากคุณสอนีความกตันยูต่อพ่อแม่เป็นคนดีไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจคะ่ะให้เงินใช้ประจําพ่อแม่ช่วยเหลือตัวเองได้จําเป็นต้องเอามาเลี้ยงดูที่บ้านหรือเปล่าคะเออมาเลี้ยงดูใครที่บ้านดูหมายถึงไหน ไม่เข้าใจที่บ้านเขาหรือที่บ้านพ่อแม่รับพ่อแม่มาเลี้ยงลูกที่บ้านอ๋อก็แล้วแต่เราถ้าเราถ้าพ่อแม่เขาอยากจะมาอยู่กับเราแล้วทาให้พ่อแม่มีความสุขได้ก็ทําไปแต่หมายเราเด็กๆเรา ก, ก็อยู่กับพ่อแม่ได้ใช่ไหมเราโตแล้วพ่อแม่อยากจะมาอยู่กับเราก็อยู่ได้ทําไมจะอยู่ไม่ได้เราต้องเสียสละหน่อยนั่นเองเราก็ต้องยอมเสียสละ ทำอะไรให้ทดแทนให้บุญคุณพ่อแม่ทําไปเลยเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญคุณของพ่อแม่นี่มันน้นฟ้าท่านบอกต่อให้แบกพ่อแม่ไว้บนไหลบนบ่าเราให้ท่านอุจจะะาระปัสวะใส่เราไปจนถึงวันตายบุญคุณของท่านก็ไม่หมดใช้ไม่หมดดังนั้มีโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อแม่มากน้อยเท่าไหร่ทําไปเลยถ้าพ่อแม่อยากจะมาอยู่กับเราก็อยู่เลย ก็เามื่อก่อนเราอยู่กับพ่อแม่ได้ทำไมตอนนี้อยู่กันไม่ได้ตอนนี้พึ่งเขาอยู่ได้แต่พอเข้ามาพึ่งเราอยู่ไม่ได้แนละ้วอันนี้ก็เป็นการเห็นแก่ตัวแล้วให้เราระลึกรกถึงพักุณอันยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีเราได้อย่างไรเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กําเนิด ก, กับเราไม่เลี้ยงดูเราไม่เสียสละอดทนต่อการ สงเสียเราให้เราได้ดิบได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้การทดแทนบงินคุณของพ่อแม่จึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระทอาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านี่ท่านแม่ไม่ได้เลี้ยงมาให้กําเนิดมาเจ็ดวันก็ตายท่านยังคิดถึงแม่เลยพอท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ส่งกระแสจิตไปหาแม่เลยแต่พบกันที่สวรรค์ก็แสดงธรรมตลอด 1, หนึ่งพันศัตรแม่บรษย์เป็นพระโสดามาัน บอกเนี่ยถ้าทําให้พ่อแม่บรรลุเป็นโสดาบันไดเนี่ย ถ, ถึงจะทดแทนบุญคุณได้หมดเพราะว่าจะทําให้พ่อแม่นี้พ้นจากอาบายและจะเข้าสู่พระนิพพานตามลําดับต่อไปผู้ที่เข้าถึงขั้นโสดาบันแล้วมันจะไปของมันเองเหมือนจุดไฟจุดไฟไหม้เชื้อแล้วมันจะลามไปของมันเองผู้ที่เข้าสู่กระแสโสดามันนี่คือผู้ที่เข้าสู่กระแสพระนิพพาน คนนี้จะไปถึงพระนิพพานแน่นอนช้าหรือเร็วไม่เกินเจ็ดชาไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาแล้วไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แล้วแต่ถ้ามีมันก็จะไปเร็วขึ้นถ้าไม่มีมันก็จะไปของมันเองมันก็จะคิดของมันเองพิจารณาของมันเองมันจะรู้ปัญหาว่าอยู่ที่ใจยอยู่ที่ความอยากแล้วมันจะหาวิธีมาแก้ปัญหาต่างๆไปจนหมดเองได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ไปมาแล้วคอยสอนนี่มันจะไปเร็ว อาจจะไปภายในวันสองวันเก็ได้พอรับ้บรรลุโสดาบันอาจารย์ก็บอกพิจาสุภาพเลยเอพอผ่านาสุภาพได้ก็พิจารณาเอาอาวิชชาเลยพิจารณามาะเลยเมันก็จะไปได้เดียวเพราะจะมีคนชี้ป้ายอย่างพวกเราเนี่ยมีพระพุทเจ้าบอกทางใชนะ่ไหมเนี่ยสังโยชน์นี่ยก็เป็นเหมือนโจทย์ของพวกเราละถ้าเราไม่มีไม่มีไม่มีมมงี้เราก็จะต้องคําไปเรื่อย คำถามจากคุณลัตนาคนที่เขานั่งสมาธิใช้พระกรรมมือสื่อพลังงานพุทธคุณในการแผ่เมตตาให้สัพพสัตต์สามารถทำได้ด้วยหรือคะเห็นคนผู้นั้นชอบอ้างถึงการสัมผัสเทวดาตลอดเขาบอกว่าสามารถเชื่อมพลังเพื่อส่งกระแสจิตให้สัพพสัตต์เลยอยากได้คำแนะ น, นำจากพระอาจารย์ค่ะเราก็ไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเขาเลยนะ แต่เรื่องของการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ไปเชื่อมกับเทวดาง mm hmm. ลงเทวดาอะไรนะนั่นเพื่อทําใจาให้สงบหยุดกิเลสหยุดตังหาชั่วข่าวในใจมีโอบเบขามีความสุข ไ, ได้ไหมครับได้ครับตัวที่มันคิดมันปรุงขึ้นมาเราต้องตามดูแล้วว่าพอเจอแล้วก็ปล่อยไปเลยครับจากไ ป, ป, ป, ป, ปไม่ปล่อยไม่ตามหยุดมันเล มันเป็นลิงเราต้องการจะจับมันเข้ากองอย่าปล่อยให้มันคิดหยุดมาด้วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องน่เรื่อ ง, น, องนี้ไม่ได้มันก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธไปมันก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปในสมาธิสงบในความสุขยังเรายังไม่อยู่ในขั้นที่จะไปตามเัย ยังไม่อยู่ในขั้นที่จะไปสู้กับมันต้องขั้นลังจากที่ได้สมาธิแล้วถึงจะไปสู้กับมันเวลามันอยากจะกินขนมบอกกินทาไมกินแล้วได้อะไรเถียงสู้กันอยากจะดื่มกาแฟดื่มว่าได้อะไรดื่มไปทำไมดื่มต้อติดหรือไม่ติดแล้วเกิดเวลาติดแล้วเวลาไม่มีดื่มจะเป็นยังไงทุกข์หรือไม่ทุกข์ลองสู้มันอย่าง น, งนางั้นสู้กับความอยากด้วยเหตุด้วยผล แต่ตอนนี้เราไม่มีกํำลังจะไปสู้กับมันพอมันคิดไปคิดตามมันมันก็พาเราไปเลยหลอ ก, ลอกเราไปแล้วก็ดีเห็นดีเห็นงามไปกับมันเลยเข้าใจไหมนะคถามจากคุณพิศใหม่ฝึกสมาธิอย่างไรให้เกิดปัญญาเจ้าคะฝึกสมาธิไม่ให้เกิดปัญญาฝึกสมาธิให้เกิดสมาธิหมคําว่าฝึกสมาธิมันก็บอกเลยว่าฝึกสมาธิให้ ได้สมาธิฝึกปัญญาต้องพิจารณาใจละต้องพิจารณาสุภาษถึงจะได้ปัญญาเข้าใจไหมสมัยนี้มันมั่วกันไปหมดเลยคนอ่านศึกษากันนี่มันอ่านไม่ศึกษาแบบลึกซึ้งกันแล้วสาบแสงมันก็ใช้แทนกันจนอนกันมั่วไปหมดเลยไปนั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งสมาธิั่งไปนั่งวิปัสสนามากแล้วก็ไม่รู้ไปนั่งอะไรกันแล้วก็ไปนั่งฟุง้งซ่านเห็นน้ำโกเห็นสวรรค์เห็นบ้าพอพอแตกกันไปหมด นพวกนี้ไม่เคยศึกษาธรรมะกันเลยฟังกันมาเล่ากันมาแล้วก็ไอคนสอนก็สอนแบบนี้ด้วยไอคนไปเรียนก็เรียนแบบนี้อย่างนั้นเมื่อกี้ก็มีเรื่องนั่งเชื่อมเทวดากันกับอะไรแผ่เมตตสองเมตตาบ้าเป็นหมดเลยคำถามจากผู้ชายกลับเรียนถามเกี่ยวกับปิปัสนาปกิเลสครับ ไปเปิดดูก็แล้วกันไปเปิดในก o เกิลดูท่าที่เข้าใจก็คือมันไม่ใช่วิปั ส, สนามันเป็นวิปั ส, สนาปลอมวิปั ส, สนาูแปลว่าเห็นผิดคิดว่าบรรลุแล้วเนี่ยนังพิจารณาตายแล้วเราเราบรรลุแลนะ้วเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วจะไปเท่กเากับอะไรมันยังไม่มีทุกข์ให้มาท ด, ทดลองดูใช่ไหมมันจะทุกข์ไม่ทุกข์ต้องรู้ตอนที่มันจะตายเนี่ย ไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งสามเดือนจะตายเนี่ย mm hmm. ดูซิจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ตอนนั้นนี่ยมันถึงจะรู้ถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะไปรู้ได้งไงว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์คําถามจากคุณพัชกรการที่เห็นคนอื่นทําไม่ดีแล้วเราเก็บมาคิดว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ไม่กลัวบาปหรอแล้วเราเก็บมาคิดเป็นทุกข์ใจตัวเองควรทําอย่างไรครับไม่ควรคิดแบบนี้ <laughs> คนคิดว่าตัวอย่างไม่ดีอย่าไปทำตามเขาเขามีชู้เราอย่าไปมีชู้กับเขาเขาไปไปโกงอย่าไปโกงตามเขาเขาไปฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่าตามเขาคนที่ชอบไปตกปลาเนี่ยไปเที่ยวอะไรเลยก็ไปตกปลาเอาปลาสดๆขึ้นมาทอดกินกันอันนียอย่าไปทำตามเขาส่วนเขาจะทําหรือไม่ทานี่เราไม่ไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปอะไรกับเขานอกจากเขาเป็นคนที่เรารับผิดชอบเราต้องสอนเราก็สอนเขาถ้าเป็นลูกเราเนี่ยเราก็บอกอย่าทำอย่างนี้นะไม่ดีแต่ก็บอกได้เท่นั้นถ้าคนดื้อก็ช่วยไม่ไดก้ก็ต้องปล่อยวางดีคำถามจากคุณทีรัตถ้าหากในเบื้องต้นเราไม่สามารถตูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธให้สงบได้ เราสามารถเจริญปัญญาเช่นนึกถึงเกิดแก่เจ็บตายพอมันสงบแล้วเราค่อยมาดูลมหายใจต่อไม่ทราบว่าแบบนี้ใช้วิธีนี้ได้ไหมครับได้ได้เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่งเหมือนกันว่านานุสติเนี่ ย, นยอนุสติมีอยู่สิบชนิดพุทธานุสติก็พุทโธอานาปนานสติก็ดูลมวาณานุสติก็คือ คิดถึงความตายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อย ๆ, ๆก็เรียกว่ามรณานุสติมันก็เหมือนพุโทโธเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนคํานั้นเองแทนที่จะเป็นพุโทโธก็เป็นความตายที่จริตของคนมันไม่เมันไม่เหมือนกันบางคนให้คิดถึงความตายไม่เอาเลยใจสั่นหดหูดห่ใช้ไม่ได้่ถ้าอยู่กับพุโทโธนี่สบายก็ได้เพราะญาติหลืงบอกมัน ม, มีจริตทาไงกรรมาฐานแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกัน ราคาจลิตนี้ต้องอสุภะเลยพวกที่กามแรงนี่ให้นึกถึงอสุภะก็จะทําให้กามระงับได้พวกที่โกรธก็ต้องเมตตาพวกเมตตาที่ต้องอภัยต้องให้อภัยอย่าไปถือโทษกดเครื่องจองเวรจองกรรมกันพวกที่มีมีความมีปัญญาก็พวกพวกที่ชอบของจริงก็ให้พิจารณาความตายไปเลยมรณาอุสติคไปเลย เพราะที่เป็นพวกหลงก็บอกให้ใช้อนาปานสติเมื่อใช้ลมหายใจเข้าออกนี่มันมีจริตต่างกันนั้นจริตของเรา แ, แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้ความตายกลับได้ประโยชน์เนี่ยอย่างคนนี้ท่าทางจะชอบของจริงเนี่ยการคิดถึงความตายแล้วคิดถึงความแก่ความเจ็ความตายแล้วจิตว่างจิตสงบเลยพอสงบแล้วก็มาดูลมต่อได้ลมนี่มันจะเมา่เพราะมันจะเป็นช่วงสุดท้าย ที่จะํำใจให้เข้าสู่ความสงบง ม, ม, มลมหรือพุโทโธนี่มันจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เต็นที่แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะใช้อย่างอื่นช่วยก็ได้ใช้ปัญญาใช้ไตรลักษณ์ก็ได้ใช้วานานุสติก็ได้แล้วแต่ว่าจิตมันมันไปคล้องแวะอยู่กับเรื่องใดคาถามจากคุณไกเลิร์ จิตจะเดินปัญญาได้ก็เมื่อถอยออกจากอัปปนาสมาธิใช่ไหมครับใช่ต้องออกจากสมาธิสมาธิมันหยุดคิดอจะไปคิดอะไรไนดะ้ต้องกลับมาตอนที่เรานั่งอยู่คุยกันตอนนี้ตอนนี้พิจารณาได้ตลอดเวลาแต่ไม่ชอบพิจารณากันชอบไปทางกิเลกกันชอบคิดหาเงินกันหานู่นหานี่กันแท่ทีจะคิดปองวางกันไม่คิดกัน คำถามจากคุณขอตามเธอไปเคยมีภาวะจิตว่างไรความรู้สึกทั้งหมดแล้วก็มีเสียงเล็กๆพูดมาจากในอกมันบอกว่าคนๆ น, นั้นที่เราเห็นอยู่เขาเป็นธาตุสีมันคืออะไรคะมันก็คือนั่นเลงคืออะไรจะโปะโผขึ้นมาในใจเราก็พิจารณาดู ว, ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ได้มันถ้าไม่นึกเป็นประโยชน์ก็เนื่ง ม, มันเสีย นี่มันเป็นประโยชน์มันบอกเนี่ยร่างกายของคนเราเป็นดินน้ำลมไฟจะเรียกว่าเป็นธรรมก็ได้ธรรมธรรมมาปรากฏให้เราเห็นอาจจะเป็นในอดีตเราเคยพิจารณาธาตุสี่มาก่อนพอจิตมีช่องให้มันโผล่ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ามาใช้ถ้ามันบอกว่าเป็นเทวดาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็อยากไปสนใจถ้ามันมันไม่เป็นประโยชน์เท่แล้วก็ เรื่องมนตายใช่ิจารณาว่ามันเป็นตายแล้วเกิดแล้วก็ดับไปคำถามจากคุณสุวัฒนาการที่พ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาโมโหหรือโกรธแล้วชอบแช่งลูกทั้งๆที่ลูกเป็นเด็กให้ทราบว่าลูกจะเป็นไปตามคําด่าแช่งของพ่อหรือเปล่าคะไม่เป็นหรอคําแช่งคําชมนันเป็นได้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นได้ก็ดีไม่ต้องทําอะไร เขาชมเราเป็นเทวดาก็เป็นไปไม่เป็นหรอกเขาแช่งเราเป็นหมามันก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ยังเป็นคนอยู่ดีเนี่แหละสิ่งนี้จะทําให้เราเป็นเทวดาเป็นหมาก็คือการกระทําของเรานี่แหละถ้าเราไปผิดศีลเนี่ยเป็นไปเป็นหมาแล้วเนี่ยไปขโมยของคนอื่นมากินอย่างนี้หมาหมาก็ไปคาบคาบอาหารมาแล้วไปประพฤติผิดตัวเวงีนี่มันก็เป็นหมาได้นะ้วใช่ไห ถ้าจะเป็นเทวดาก็เ น, นี่ยทําบุญรักษาศีลไปก็เป็นเทวดาขึ้นมามันไม่ได้ีที่คําสาปแช่งด้วยคําคําอวยพรหรอกพระที่มาให้พระอวยพรนี่มันไม่ได้หรอก ร, อกรอกู้เปล่าเมื่อขอเคยชินแล้วถ้าไม่ให้ก็เลยเหมือนว่าขาดอะไรอลไรต้อให้อายุวันโนสุ ข, ข, งขงังพลังสาธุมันมันได้เปล่า ไ, ได้ถักใจ ได้จิตวิทยายไปกำลังใจแล้วก็ตายไปหมดด้วยกันทุกคนไม่คือใครรอดทุกคนแกจะตายด้วยกันทุกคนไม่มองความจริงกันจบมองความของบอมเลยคถามจากคุณจินดาเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามือหายไปแล้วรู้ถึงความสงบขอถามว่า เริ่มเข้าเขาหรือยังครับก็เริ่มแล้วมั้งถ้ามันมันนิ่งมันเฉยมันไม่คิดอะไรคำถามจากคุณชวนกิเลสมันดื้อด้านดิ้นรนกระวนกระวายแต่เปลี่ยนจสเปคสปะภาวนาเพื่อบังคับมันให้อยู่นิ่งๆแต่กําลังมันร้ายกาจมากสู้มันไม่ไหวสติเอาไม่อยู่จริงๆแล้วกิเลสมันคือตัวอะไรกันแน่กิเลสคือโลกไร้าของจิตใช่ไหมครับ ่มันเป็นตัวเชื้อโรคที่ทําให้รับทุกข์กันสติก็เปัญญาที่จะฆ่ามันฆ่ามันชั่วค้าวสติถ้าจะฆ่าถาวรก็ปัญญาแต่ขั้นต้นนี้เอาสติก่อนนง่ายมันง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่มันยากเหมือนเรียนหนังสือเรียนระดับปริญญากว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้มันต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรแต่สตินี่มันทันทีทันใดเลยพุทโธคําเดียว วเวลาเกิดกิเล ข, ขึ้นมาพุโทโธไปเลยเวลาโกรธใครกลัวอะไรไม่พุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวหรือเราโกรธเนี่ยมันก็หายคำถามจากคุณปิ่นรัตด์ี่ฉันถือสิงแปดอยู่ที่บ้านค่ะแต่ต้องอาบน้ำให้พ่อสามีที่มีอายุเก้าสิบสี่ปีเดินไม่ไหวแล้วตรงนี้สิงขาดไหมคะไม่ขาดแล้วถ้าไม่ไปนอนกับพ่อเห้ามร่วมหลับนอนกันอะบรัมจาริยาเวลันมี แต่ที่เขาไม่แต่ต้องตัวกันเขากลัวเดี๋ยไฟจะชอ็อตเดี๋ยวไปแตะต้องตัวกันแล้วมันจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันจะห้ามใจไม่อยู่เท่านี้เขาเลยป้องกันไว้ก่อนทางที่ดีอย่าไปอยู่ใกล้กันอย่าไปแตะนวต้องตัวกันแต่ถ้าจำเป็นจริงๆคนแก่แล้วต้องเลี้ยงดูอะรอย่างนี่ก็ทำไปแต่ใจเราต้องแข็งหน่อยนะใจต้องเข้มแข็งอย่าไปถูกอารมณ์มันขยวเขาละกัน คำถามจากคุณปรัชญาการไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆในเวทนามันคือทุกข์ส่วนการมีอุเบกขาจากสมาธิคือมรรในอายะสี่ผมเข้าใจถูกไหมครับก็เข้าใจเกือบจะถูกแต่ไม่ถูกคือเมื่อกี้บอกสุขทุกข์เป็นทุกข์นี่มันคือทุกอย่างมันเป็นทุกข์อ่ะทุกข์พอเราไปยืดไปติดไปหยากมัน ถ้าเราไม่ไปรยาดมันไม่ทุกข์หรอกสุกนึกทุกข์งี้ถ้าเราไม่ไม่ไปอยากให้มันสุกนึอไม่ไปรยากให้มันทุกข์เราจะไม่ทุกข์ส่วนมากก็คือเนี่ยทําใจให้เฉยๆกับสุขกับทุกข์อย่าไปรักอย่าไปชังความสุขความทุกข์ก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมรรคถ้ามีมรรคมีโมเบขาทําใจให้เฉยๆกับทุกอย่างได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคําถามจากคุณสุรี การเจริญมรณานุสติให้จิตยอมรับมีอุบายอย่างไรเจ้าคะก็ท่องไปก่อนเลยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาท่องไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มนึกภาพเวลาเราแก่เป็นยังไงเวลาเจ็บเป็นยังไงเวลาตายเป็นยังไงคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูภาพของคนอื่นอี่ยเวลาไปงานศพเนี่ยคิดว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเปิดดูลงได้ยิ่งดีอ่ะ ศาสนาคิดเขาพอดีเขาเปิดให้ดูลรงให้ดูคนตายแต่เขาก็แต่งเนื้อแต่งหน้าทาปากก็สวยหรดูเหมือนโต๊กตาเนี่ยขั้นแรกที่เราเห็นสรางศพเนี่ยมันทําให้เราจะเริญมรรณุสติตั้งแต่นั้นมาตอนอายุสิบองสิบสามขวบมีเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนตายไปไประจมน้ำตายเขานับถือศาสนาคือเขาก็เลยทําวิธีทางศาสนาเขาเราก็ไปคารวะศพเขาก็สาใส่เนรมงอย่างสวยงามเลย แต่ใส่สูตใส่เน็ดทายอะไรแต่หน้าตานี่มันก็มันก็เป็นเหมือนทาสีอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราดูจิตเราก็พิจารณาเลยแว่าอ๋อตอบไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปคนที่เรารักก็ต้องเป็นอย่างนี้พ่อแม่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็ต้องเป็นอย่างนี้พี่น้องก็ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนก็ต้องเป็นอย่างนี้มันคิดไปหมดเลยมันกระจายไปหมดเลยมันถ้ามันไปของมันเอง มันอาจจะเป็นของเก่าติดตัวมาก็ไม่รู้พอได้ไฟปั๊บมันไปเลยแล้วมันก็คิดอยู่เรื่อยมันเตรียมตัวทําเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เหล่านี้เลยมันแล้วไม่รู้สึกเรื่องเรื่องของงานตายมันก็ไม่รู้สึกหดหู่หรืออะไรเนีลยลก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยคาถามจากคุณองค์อาจถ้าพ่อขอไปบวชโดยปล่อยลูกๆในวัยเรียนให้อยู่กับแม่ที่ยังต้องดิ้นรนทํามาหากิน อย่างนี้พ่อเห็นแก่ตัวไหมครับแจะว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวแต่มันเห็นแก่ตัวในทางที่ดีอะการไปดวนนี่มันดีดีกว่าติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้าพ่อไปแล้วเดี๋ยวต่อไปพ่ออาจจะมาช่วยเราได้ช่วยให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปแต่ว่าพอท่าน ดพ้นนะท่างกับมาช่วยให้ให้ลูกให้เมียได้ดุดพ้นตามต่อไปเพานั้นการเห็นการตัวแบบนี้ไม่เป็นไรอย่าไปเห็นการตัวแบบไปมีครอบครัวใหม่ก็แล้วกันทิ้งลูกทิ้งเมียไว้แล้วก็ไปมีแฟนใหม่แต่เห็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ดีอย่าถ้าไปบวชนี่ดีอยู่ครับ ถ, ถามจากคุณต้นพระอาจารย์เทศว่านั่งสมาธิถ้าสงบแล้วจิตจะตกหลุมต ก, ตกบ่อสงบ พอดีผมสงสัยว่ามันต่างจากภวังที่ไม่ใช่สัมมาสมาธิอย่างไรครับก็ไมรู้ภวังหลับหรือเปล่า <c oughs> คือพภ<อ>วังก็คือตกนลุมตกบ่อเหมือนกันเลยเวลาจิตมันสงบมันจะวิบลงไปก็เลยกตกภวังนี่เราพูดภาษาชาวบ้านก็เลยกตกนุุมตกบอ่อเงี้ฟังง่ายกว่าทานภาษาพระเขาก็เรียกว่าภาวัง แต่พวังมันมีสองแบบพวังหลับกับพวังสมาธิถ้าตกปุ๊บแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยมาดูทีตอนเลยตาขึ้นมาเนี่ก็แสดงว่าหลับแต่ถ้าต ก, ก่ายังมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือนี่ก็เรียกว่าวังสมาธิคำถามจากคุณซีนีฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยๆและเห็นด้วยตามที่ท่านสอนเป็นปัญญาจากการฟังแต่ถ้าเป็นปัญญาจากการภาวนาแล้ว ความเข้าใจจะแตกต่างไปอย่างไรคะแตกต่างตรงที่เราเราดับความทุกข์ได้เวลาเราไม่สบายใจเราจะหยุดความอยากที่ทําให้เราไม่สบายใจได้แต่ถ้าเราไม่มีภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเราจะหยุดมันไม่ได้คําถามจากคุณปลาโมดคนเราเกิดมาทําไมครับเกิดมเราะกิเลสมันพาให้เรามาเกิดตัณหาความอยากนี่เป็นต้นเหตุของการมาเกิด เาเกิดมาถ้าต้องการจะถามว่าจะทําไงต่อก็คือต้องมาหยุดการเกิดต้องมาหยุดความอยากกันเพราะการเกิดไม่ดีการเกิดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดมาแล้วก็ต้องมาหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาการจะมีศีลสมาธิปัญญาได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก็คือต้องไปบวช หมดหรือยังไม่ยังคำถาโอเคใช่เวลาแล้วคําถามจากคุณพิษใหม่ฝึกสมาธิที่บ้านควรทําอย่างไรให้ถูกต้องเจ้าคะก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันให้มีสติเป็นจุดเริ่มต้นกันควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยใจคิดไอ้มองความคือก็เป็นเหมือนลิงสอนสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะคอยดึงดึงลิงเข้าเข้ากรงกรงก็คือความนิ่งความสงบความไม่คิดอะไร งั้นพอเราเตื่นขึ้นมาปับแล้วก็พุโทโธไปเลยทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือจดจอด่อดูกับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้ถ้าไม่ท่องพุโทโธก็ดูเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังแปรงฟันก็อยู่การแปรงฟันกําลังล้างหน้าก็อยู่กําล้างหน้าหวีผมก็อยู่การหวีผมอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ยกเว้นถ้าจําเป็นจะต้องคิดจริงๆก็หยุดทําอะไรแล้วก็คิดให้พอ ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ต้องไปทํางานที่ไหนมีพบปะกับใครพอคิดเสร็จแล้วก็มาเตรียมตัวตอนเตรียมตัวก็หยุดคิดโดยไม่เช่นนั้นก็พุโทโธพุโทโธไปเราต้องการควบคุมความคิดเพราะเวลานั่งสมาธิถ้าหยุดความคิดไม่ได้มันจะเข้าสู่สมาธิไม่ได้มือนกันใช่ไหมอ่มา ม, ออมาสุดท้ายคําถามจากคุณสมวนสีจิตที่ประกอบด้วย อุเบกขาเวทนาทําไมจึงเป็นอกุศลไม่เป็นในคนละเรื่องกันคือว่าเพราะว่าอุเบกขาเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นอโกุศลเพราะจิตเราไปอยากให้มันไม่เป็นบางทีมันอยู่เฉยเฉยมันพอเราอยู่อยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมให้นั่งเฉยเฉยหชั่วโมงนี่อยู่ไม่ได้นะี <c oughs> มันเป็นอโกุศลเพราะว่ามันเกิดตัณหาความอยากอยากจะไปทํานู่นทนํานี่เพื่อให้มันเปลี่ยนจะได้ความสุขมา เวลาไม่สุขไม่ทุกข์กับไม่ชอบอยากจะได้ความสุขมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาอกุศลอยู่ที่ใจเราที่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเวลาทุกข์ก็อยากจะให้มันหายทุกข์เวลาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆใช่ไหมมันก็เลยเป็นอกุศลทั้งหมดเลยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะใจเราเป็นอกุศลคือกิเลสมันทําให้เรามันทุกอย่างเป็นอกุศลไปหมดแต่คนที่ไม่มีกิเลมันจะไม่เป็นอกุศลมันจะเป็นธรรมชาติธรรมดา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 ว่นไหนมีคนมีปัญหามาถามนี่เราดีใจเราจะได้ไม่น้องคิดเราไม่มีคนถามนี่ต้องคิดว่าจะาป้อนอาหารอะไรชนิดนอนไดีเลยนี่เน <c oughs> <c oughs> ้นพยายามหาคำถามมานะ <c oughs> แต่ต้องเป็นคำถามเกี่ยวกับปฏิบัตินะเรื่องเงินไม่ไม่ไม่ไม่เอานะ